อยากจะพูดอะไรอยากจะถามอะไรก็พูดได้เงินทัาการปฏิบัติเพื่อเพื่อให้ร่างตัวตนบ้างนอแต่ต้องทิ้งร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่เราไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวเราเราก็เลยหวงหวงร่างกายแล้วเราก็ต้องทุกกับร่างกายเพราะว่าร่างกายเดี๋ยวก็ต้องไปอ ้เราต้องพิจารณาร่างกายเรื่อยๆว่ามันต้องไปมันต้องไปมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเรามันต้องอยู่กับเราถ้ามันเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้ห้ามมันได้ถ้าเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นของเราก็ต้องยอมให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน มันเป็นของธรรมชาติร่างกายเนี่ยเหมือนต้นไม้ยต้นไม้ก็เป็นของธรรมชาติใช่มมีใครไปเป็นเจ้าของต้นไม้กันหรือเปล่าต้นไม้เนี่ยเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟต้นไม้นี่ต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมันถึงจะเจริญเติบโ ต, ะตะเกิดขึ้นมาได้ร่างกายเราก็ต้องมีดินน้ำลมไฟไปดูไปอยู่ที่ ที่ไหนที่ไม่มีไฟเช่นที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยจะไม่มีต้นไม้ะถ้าไปอยู่ที่ไหนไม่มีน้ําเช่นในทะเลทรายก็ไม่มีต้นไม้เพราะว่ามันต้องมีทั้งดินทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟที่ทะเลทรายก็มีแต่ไฟมีแต่ดินมีแต่ลมอากาศแต่ไม่มีน้ำดังั้นทุกอย่างนี่ที่เรามีอยู่นี่มัน เป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไฟไม่ว่าต้นไม้หรือร่างกายเรานี่เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าร่างกายเรามีดวงวิญญาณมีผู้รู้ผู้คิดมามาควบคุมมาสั่งให้มันเคลื่อนไหวได้นั้นเองสั่งให้มันพูดได้สั่งให้มันเดินได้สั่งให้มันทำอะไรได้แล้วผู้มาควบคุมมา ครอบครองร่างกายนี้ก็ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นผู้ควบคุมเออไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา mm hmm. เป็นเพียงความคิดแค่นั้นเองคิดคิดว่าเป็นเป็นของเรา mm hmm. แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเหะวันนี้กับสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์ก็ก mm ็ hmm. ามาแก้ความคิดของคนก็คิดว่าโลกนี้แบนกันใช่ไหม ไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลกลัวจะตกออกจากทะเลออกจากโลกไป mm hmm. นักปฎิยาศาสตร์ก็พิสูน์ว่ามันกลมมันไม่ขับไปนั่งเรือออกไปเถิดไม่มีวันตก mm hmm. ก็เลยมีคนไปสูตรดูก็เป็นอย่างนั้น mm hmm. เราต้องมาแก้ความเห็นผิดความเห็นผิดของพวกเรา คือมาเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราต้องเห็นว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนต้นไม้เป็นของธรรมชาติของดินน้ำลมไฟ <Yeah. S 1> เราเอาดินน้ำลมไฟมาสร้างร่างกายนี้แล้วเราต้องเติมมันอยู่ด้วยเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตเพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะอยู่ไม่ได้ขาดดินก็คือขาดอาหาร ขาดอาหารไปไม่กี่วันก็ต้องตายขาดน้ำไปไม่กี่วันก็ต้องตายขาดลมไปไม่กี่ชั่วไม่กี่นาทีก็ต้องตายขาดไฟก็ตายถ้าเกิดดวงอาทิตย์อย่างช่วงนี้อากาศหนาวเนี่ยไม่มีผ้าหม่มห่มผ้าเดี๋ยวความร้อนในร่างกายมันมันสู้ความเย็นไม่ได้ร่างกายก็อยู่ไม่ได้คนตายเพราะอากาศหนาวันก็มี นี่คือร่างกายเหมือนกับต้นไม้เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่ามีดวงวิญญาณมีผู้รู้ผู้คิดมาครอบครองเน้นผู้รู้ผู้คิดต้องถูกต้องมาสอนผู้รู้ผู้คิดใหม่เหมือนไปโรงเรียนเรามาพระพุทธ ศ, ศาสนาก็เหมือนกับมาโรงเรียนมาเรียนจากคนที่รู้คือพระพุทธเจ้าพระธรรม หรือพระสงฆ์ท่านเหล่านี้ท่านศึกษาท่านเป็นเหมือนนักพิทยาศาสตร์แต่เก่งกว่านักพิทยาศาสตร์เพราะท่านศึกษาถึงเรื่องของจิตศาสตร์ในโลกนี้ไม่มีใครเรียนวิชาจิตศาสตร์แม้แต่จิตแพทย์ก็ไม่ได้เข้าถึงตัวจิตรู้ก็รู้แบบงูงูงปลาปลาจิตแพทย์เนี่ยตัวจิตแพทย์เองยังเป็นบ้าได้ยังเสียสติได้ ยังเศร้าโศกเสียใจได้แสดงว่ายังไม่รู้จริงผู้ที่รู้จิตาศาสตร์จริงนี้จะไม่ไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความรักชังกลัวหลงนี่แหละผู้ที่ได้ศึกษาจิตาศาสตร์แล้วจะรู้ธรรมชาติของจิตรู้ธรรมชาติของร่างกายแล้วก็ปฏิบัติให้มันเหมาะสมกับ ความเป็นจริงของมันร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้มันไม่ได้เป็นของเราเราเพียงแต่มาครอบครองมาอยู่อาศัยมาใช้มันเป็นพาหนะเป็นเครื่องมือแสวงหาของที่เราอยากได้กันใจของเราเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยมันถูกหลอกให้ไปอยากได้สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ สุขหลอกให้อยากได้ลาบยศสารเส ร, ร, รสิญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสกันทุกคนอะทุกดวงวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยไม่ต้องสอนเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องเงินเรื่องทองนี่อยากได้กันนะเรื่องตําแหน่งเรื่องรางวัลความสรรเสริญยกย่องเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ทั้งนั้นเด็กทาวลกข้อดออกมาก็อยากดูอยากฟังนะ เราจึงต้องมีตุก๊กตามีของเล่นมาล้อมให้มันเพราะไม่มีของเล่นมันก็ร้องงงแงเด็กนอนแบบเบาก็ยังต้องมีของเล่นเพราะมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรต้องมีรูปอะไรทั้งอย่างให้มันเล่นมีเสียงอะไรให้มันได้ฟังเสียงกระดิ่งเสียงอะไรอย่มงนตุก๊กตานี่มันมีเสียงบีบมันหน่อยมันก็ล้อขึ้นมา อ, อันนี้เพื่อเป็นการ ตอบสนองความอยากของเด็กทารกเนะี่ยไม่ไงั้นมันจะล้มงอแงเนี่ยเพราะว่ามันดวงจิตที่มาครอบครองร่างกายของทารกนี่มันมีความอยากมันมีความหิวในรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับผู้ใหญ่ที่โตแล้วก็มาหิวกับบุหรี่หิวกับสูราหิวกับกาแฟใช่ไหมผู้ใหญ่ก็้องหากาแฟมาดื่มอยู่เรื่อยๆหาขนมมากินอยู่เรื่อย หาอะไรมาดูอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มีมือถือดูกันทุกคนไปไหนมาไหนเดินไปมีแต่ดูมือถือไม่ได้ดูทางดูถนนนะหิวรูปเหมเก็เรียกว่าหิวรูบหรือมันก็มีหูฟังอะไรมเสียบก็ไปในหูเดินไปก็ฟังอะไรก็ไม่รู้เดินไปก็ชนกับคนนั่นคนนี้เนี่ยเหมือนเด็กทาลกเนะี่ยดวงวิญญาณที่มาครอบครองร่างกายทุกดวงเนี่ยมันถูก ถูกความหลงหลอกให้หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสจ่มันติดเนี่ยพอมันติดแล้วทีนี้มันก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมันถึงจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้มันก็เลยรักร่างกายนี้มากแล้วก็หลงด้วยคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราคิดว่าเราเป็นร่างกาย คิดว่าผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคือสมองใช่หมนักศึกษาแพทย์เรียนเขาคิดว่าสมองนี่จะเป็นผู้ที่สั่งการทุกอย่างสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆต่อันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงสมองสั่งให้ร่างกายทำงานจริงอยู่ให้หัวใจเต้นให้แขนขายกขึ้นได้เคลื่อนไหวได้ ผู้สั่งให้เคลื่อนไหวไม่ใช่สมองผู้สั่งให้ยกแขนผู้สั่งให้ตีคนนั้นตีคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมองเป็นผู้สั่งสมองมันสั่งไม่ได้ผู้ที่สั่งสมองอีกทีนั่นคือจะาผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ใช่สมองสมองคิดไม่เป็นรู้ไม่เป็นไม่มีความรู้ในสมองผู้รู้ผู้คิดนี้เป็น เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนความว่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ความว่างที่อยู่กับนอบตัวลรวคือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นมนุษย์ล่องขนผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ต้องมีร่างกายแต่แต่ต้องใช้ร่างกายถึงจะสามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็เลยมา หาร่างกายมาได้ร่างกายแลวพอได้ก็หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นผู้รู้ผู้คิด mm hmm. ก็เลยรัาขวงร่างกายขววงร่างกายมาก mm hmm. ไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปเพราะถ้าเป็นแล้วจะไม่สามารถเสพลูกเสียงกลื่นรสได้ mm hmm. ก็เลยเนี่ยทุกข์กับร่างกายสลบง่าย เราจรึงต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องจากเราไปเราได้มันมาจากพ่อแม่ผ่านทางพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้สร้างร่างกายนี้ให้กับเราโดยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เป็นเป็นวัตวัตถุดิบพ่อแม่เอาวัตถุดิบคือดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่มาผสมกัน แล้วก็สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วก็อาศัยวัตถุดิบคือดินน้ำลมไฟที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยอาหารที่อยู่ในท้องแม่ค่อยๆสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาจนครบอาการสามสิบสองพอโตเต็มที่ก็ต้องคลอดออกมาแล้วก็เติมธาตุต่อไปพอออกมาปั๊บก็ต้องหายใจก่อนนะเด็กคลอดออกมานี้ต้องหายใจ แล้วก็เริ่มดื่มน้ำดื่อมอาหารอาหารก็คือนมแล้วก็มีไฟมีผ้าหม่มห่มให้มีห้องที่มีความร้อนอุณหภูมิไม่หนาวจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปเด็กก็เลยเจริญเติบโ ต, ะตะขึ้นมานั่งกายก็เจริญเติบโ ต, ะตะขึ้นมาน่่งกายนี้มันก็ไปของมันตามวัฏจักรของมันมันมีเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีเสื่อม พอมันจเจริญเต็มที่เหมือนทุกอย่างในโลกนี้ต้นไม้จเจริญเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ถึงเวลามันก็ต้องตายร่างกายก็เหมือนต้นไม้เมื่อมันจเจริญเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลังพอว่าอายุวัยกลางคนแล้วมันก็เริ่มเสื่อมแล้วพอสี่สิกว่าห้าสิบทีนี้ก็เริ่มเจ็บปวดมากขึ้นแล้นะการทํางานของอวัยวะต่างๆก็เริ่มเสื่อม นี่เป็นการเป็นช่วงที่เริ่มนับถอยหลังแล้วเดี๋ยวไปถึงแปดสิบเก้าสิบก็หมดสภาพไปถ้าทั้งสี่ก็แยกออกจากกันถ้าลมไปก่อนละเวลาคนตายนี่อะไรไปก่อนลมลมไม่เข้าแล้วนี่มีแต่ออกคือกลิ่นนะแล้วน้ำเอาแล้วกระทที่สองตามมาแล้วก็ไฟไปจับร่างกายคนตายดูสิ ตายไม่กี่ชั่วโมงนี่เย็นนะแล้วต่อไปก็น้ำถ้าไม่ได้เอาไปเผาไม่ได้ไปทำฉีดยาทำอะไรเดี๋ยวน้ำมันก็ต้องไหลออกมาแล้วร่างกายมันก็จะเริ่มพองเริ่มเน่าแล้วต่อไปมันก็จะแห้งกรอบกลายเป็นดินไปส่วนที่เหลือกลายเป็นดิน นี่คือร่างกายที่เราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเร า, เราต้องศึกษาอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้แล้วที่เราทุกข์กเพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้ะัะนั้นความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากไปทำไมอยากไปแล้วทุกข์เปล่า พอยอมให้มันเป็นไปเนะี่ยมันจะหายทุกเนะนี่ยถามคนนี้ดูเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเจ็บท้องมากปวดท้องมากจนน่าคิดว่าจะตายก็เลยยอมตายเขาบอกพอยอมตายจิตปล่อยหายจิตหายทุกเลยนะร่างกายก็เดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาออย่างนะีนะ้ไนมะ่ยอมไม่กลัวตายแล้วอ่า กลัวตายไม่ดีใช่ไหมกลัวแล้วทุกข์ใช่ไหมแต่ไม่กลัวแลาวสบายไหมเขาไม่กลัวก็เพราะว่ายอมตายใช่ไหมยอมไม่ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอยอมไม่เขาตายยอมให้เขาแก่ยอมให้เขาเจ็บนั่นก็สบายอยู่อย่างสบายไม่ยอมก็ตายเหมือนกันยอมก็ตายเหมือนกันอแต่ยอมมันสบายอยอมเพราะอะไรเพราะว่าเรา ลดแล้วหยุดความอยากอยากไม่ตายความอยากไม่ตายเนี่ที่ทําให้ใจทุกข์เนี่ยอริยสัจสี่ใช่ไหมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากสมุทยัยวิภาวะทัญหาความอยากไม่ตายพอยอมให้พอยอมตายปั๊บความอยากไม่ตายมันก็หยุดไปนิโรธก็เกิดขึ้นมานิโรธก็คือความดับของความของทุกข์เนี่ย ดัพรา อ, อะไรเพราะมรมรเ ก, กิดอะไรมร ก, ก็คือเห็นว่าร่างกายนี้มันต้องตาย อ, อย่างพระเจ้าบอกว่าเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เออท่านสอนให้เราคิดอย่างนี้บ่อยๆคิดอยู่ทุกวันแล้วเดี๋ยวพอเวลาเจอความตายมันจะได้ปล่อยแล้วมันจะไม่ทุกข์แล้วเวลาอยู่ก็ไม่ทุกข์ถ้าคิดอยู่บ่อยๆอ แต่ทางที่ดีมันต้องไปเจอเวลาที่มันจะตายจริงๆมันถึงจะรู้ว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยจริงนะฉั้นคนที่รู้ว่าจะต้องตายแล้วอยากจะรู้ว่าปล่อยจริงไม่ปล่อยจริงมักจะไปหาที่ที่ท้าทายต่อความตายพระสงฆ์เนี่ยไปอยู่ในป่าไปหาไปหาสิงสาราสัตว์ เ, mm. เพื่อจะได้ดูว่าปล่อยจริงหรือเปล่า mm. คือดูถ้ากลัวถ้ายังกลัวอยู่ก็ยังไม่ปล่อย ถ้าทําให้กลัวได้ยินเสียงเสือคำรามก็เฉยะมาก็มาตายก็ตายเนี่ต้องไปพิสูจน์ถึงจะรู้ว่าปล่อยจริงหรือไม่ปล่อยจริงเจ็บก็เหมือนกันเจ็บปล่อยจริงหรือไม่จริงก็ลองนั่งให้มันเจ็บดูนั่งไปแล้วอย่าไปขยับมันถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บแล้วจะไม่เจ็บจะไม่ทุกข์คือยังไงก็เวลามันเจ็บก็อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บ เหมือนกับเหมือนกับเวลาตายอย่าก็อยากให้มันไม่ตายพอมันเจ็บเราก็ปล่อยมึงอยากจะเจ็บก็เจ็บไปอ่กูจะอยู่กับมึงคิดอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเฉยกับความเจ็บได้แล้วจิตก็จะเย็นสบายไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายนี่คือวิธีปฏิบัติกับร่างกายตอนขั้นต้นต้องศึกษาทฤษฎีก่อน ต้องดูภาพของร่างกายดูภาพที่มันจะเตั้งแต่มันเกิดเลยพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันเริ่มจากอะไรมันตัวเราเป็นน้ำสองหยดนี่เหรอใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่น้ำสองหยดเป็นของพ่อของแม่ไม่ใช่ของเรานะั้นก่อนพ่อกับแม่จะมาเจอกันเราอยู่ที่ไหนเคยถามเคยถามคาถามนี่ม่ว่าก่อนที่จะมีพ่อมีแม่ที่เราเราอยู่ที่ไหน ก็เราอยู่ที่ยังตอนนั้นเราอาจจะอยู่อยู่ที่มีร่างกายอยู่ร่างกายเก่ายังมีอยู่อย่างตอนนี้เรามีร่างกายเก่าพ่อแม่คนใหม่เราไม่รู้จักอ่ะยังไม่เจอแต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปหาร่างกายใหม่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราจะไปรอดูว่าพ่อแม่ของเราคนไหนมันมาเจอกันแล้วก็ก่อนที่จะไปเจอพ่อแม่คนใหม่ก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปอีก่ะ เนี่ยเราเกิดมานี่เราทำบุญทำบาปอยู่เรื่อยๆเยๆลวลาเราตายไปบุญกับบาปมันจะเป็นตัวดึงเราไปรับผลบุญผลบาปก่อนนีถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ดึงเราไปสวรรค์นะสวรรค์ก็คือเวลาเหมือนกับเวลาเรานอนหลับเราฝันดีเรียกว่าสวรรค์ตอนนี้ตอนนี้เรานอนหลับเราไม่มีร่างกายใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหม<น>ก็เหมือนกับเวลาเราตายเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายเราก็ฝันเนี่ย พอเราตายปั๊บนี้เราเริ่มฝันแล้วรู้ปะฝันยาวหน่อยนั่นเองฝันดีหรือฝันลายฝันลายก็เนี่ยไปเป็นหมาเป็นแมวก็เป็นแมวขึ้นมาจริงๆอะ่ะหรือถ้าไปเป็นเปรต ม, มันก็ไม่มันก็ไม่มีร่างกายมันก็หิวโหยก็ไปหาของกินไปไปขอเขากินเนี่ยเนี่ยที่พวกเราอุทิศบุญก็อุทิศให้พวกที่หิวโหยเนี่ยพวกเปรตเนี่ยหรือถ้าถ้าเป็นอสูรแล้กายก็กลัวไปหมด มีแต่ความกลัวฝันแต่เรื่องน่ากลัวน่าหวาดเสียวน่ากลัวต่างๆถ้าพวกที่เป็นนรกก็ฝันแต่เรื่องเครียดแค้นอาฆาตพยาบาททำสงครามกันฆ่าฟันกันล้างแค้นล้างผลาญกันจองเวรจองกรรมถ้าเปนพวกเทวดาก็เหมือนกับไปเที่ยวในต่างประเทศเนีพ <S S S> พวกเทวดานี้ทำบุญทำบุญแล้วก็มีความสุขฝันดีฝันว่าไป ได้ไปทำความดีดังนั้นตรงนี้แล้วพอฝันก็ฝันกลับมีคนมาต้อนรับเรามาทำความดีกับเรามารับใช้เรามาดูแลเรามาเลี้ยงดูเราพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เนี่ยช่วงที่ช่วงที่ไม่มีร่างกายมันก็ช่วงฝันเ็าเนี่ยแล้วพอกำลังของบุญหรือบาปมันหมดกำลัง ที่จะผลิตความฝันเราก็ไปรับร่างกายอันใหม่ตอนนั้นอะ่ะเราถึงจะรู้ว่าร่างกายพ่อแม่ของเราจะเป็นใครจะเป็นจีนหรือเป็นฝรั่งหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นคนในโลกนี้หรือจะเป็นคนอีกในโลกหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะมีดวงดาวดวงอื่นที่จะมีมีมนุษย์อยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่สามารถติดต่อกเขาได้ จะเป็นไปได้เหรอที่ทั้งในจักรวาลนี้มีโลกเราโลกเดียวที่มีมนุษย์เนี่ยที่มีโลกที่สามารถให้มีมนุษย์อยู่ได้มันน่าจะมีเป็นเป็นล้านอ่ะก็ดูดวงดาวมันมียังเป็นล้านเ่ยแล้วดวงดาวแต่และดวงมันก็ต้องมีบริวารเนี่อย่างเหมือนดวงอาทิตย์เราก็เป็นดวงดาวดวงหนึงแล้วก็มีบริวารเนี่ยอยู่ต้องกี่กี่ดวงเก้าดวงแปดเก้าดวงแล้วก็มีโลก ที่เราอยู่กันอยู่ดวงเนี่ยยันถ้าเราสามารถติดต่อเข้าได้หรือเราสามารถส่งจรวดไปสำรวจได้เราจะต้องไปเจอมนุษย์อีกเยอะแยะแต่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างพวกเราเนี่ยมันต้องมีธาตุสี่เหมือนกันทั้งนั้นมนต้องมีดินน้ำลมไฟเพราะมนุษย์เราเพราะเราต้องการมนุษย์ที่สามารถมีตาหูจมูกเล่นกายดวงวิญ ญ, ญาณถึงแม้ว่า โลกอีกโลกหนึ่งจะอยู่ห่างไกลขนาดไหนดวงวิญญาณไม่ต้องไม่มีร่างกายมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้จรวดพาไปมันเพียงแต่คิดก็ถึงแล้วองค์พระเจ้าบอกเพียงแต่ยกแขนลงไปก็ถึงแล้วจิตมันไปอย่างนั้นไปด้วยความคิดไปอย่างรวดเร็วถ้าเกิดตอนนี้มีพ่อแม่กําลังผสมพันธ์กันอยู่อีกโลกหนึ่งจิตมันถ้ามันรู้มันไปได้มันก็เข้าไปครอบครองทันที นี่ก็คือต้องศึกษาว่าร่างกายกับจิตใจนี้มันเป็นสองส่วนกันร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้เป็นดินน้ำลุมไฟจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้ทุกข์กับร่างกายเพราะไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกายแล้วก็ไปอยากให้ร่างกายเป็นไปตามความอยากของตนคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทุกข์กันพอคิดถึงความแก่ก็ทุกข์แล้ว ที่พระพุทธเจ้าทรงไปค้นหาวิธีดับความทุกข์เรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละพระองค์ส่งคนทรงได้ศึกษาจากผู้รู้ผู้อื่นก็สอนให้ดับความทุกข์ด้วยการเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิก็หยุดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็เลยไม่ทุกข์ตอนนี้เราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกัน แต่พอเราทุกพอเห็นคนแก่เห็นแม่เห็นพ่อเห็นปู่เห็นย่าเราก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างปู่กับย่ากับตากับยายพอเห็นคนแก่ก็ทุกข์พอเห็นคนเจ็บไปโรงพยาบาลเห็นก็นอนโคลงคางเรายังไม่ทันเป็นเราก็ทุกข์นะอย่างหมออยู่โรงพยาบาลทุกข์ไหมหรือมันชินซะ แ, แล้วไม่ทุกข์ <c oughs> <c oughs> เนี่ย พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็หาวิธีทงํงานไม่ให้ทุกข์กับร่างกายไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ได้เรียนรู้วิธีชั่วคราวคือวิธีเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิจิตก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายความทุกข์ก็ไม่มีแต่พอออกมาจากร่างออกจากสมาธมาิมารับรู้เรื่องร่างกายก็อพอคิดถึงว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ แล้วไปถามใครก็ไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์กันนี้ได้ก็เลยต้องศึกษาค้นหาด้วยตัวเองเปรียบเทียบตอนนั่งสมาธิทำไมมันไม่ทุกข์ทำไมออกมาแล้วมันทุกข์มันต่างกันตรงไหนตอนนั่งสมาธิไม่ได้คิดเดีว่วแต่ตอนออกมาจากสมาธิเริ่มคิดลอล้พอไปคิดถึงความแก่เขาก็เกิดความอยากขึ้นมานะอ๋อจึงได้ข้อสรุปว่าไอ้ความอยากนี่แหละที่ทาให้ทุกข์ ถ้าไม่อยากแล้วไม่ทุกข์หรอกท่านสังเกตดูใจของท่านเวลาออกจากสมาธิไม่อยากนี่มันนิ่งพออยากก็เหมือนมันเหมือนมีถ้าเป็นน้ําที่นิ่งก็เหมือนมีใครโยนหินโยนโยนก้อนหินลงไปในน้ำพอโยนก้อนหินลงไปในน้ําน้ํามันก็กเพิ่มขึ้นมาจิตก็เหมือนกันจิตที่เป็นสมาธิมันจะนิ่งเหมือนน้ำแล้วพอไปคิดถึงความอยากขึ้นมานี้เหมือนโยนก้อนหินเข้าไปใน ใจกระเพื่อมขึ้นมาใจเริ่มรู้สึกไม่สบายขึ้นมาทันทีเยในที่สุดท่านก็ค้นพบเนี่ยมนักวิทยาศาสตร์ที่เขาถามว่าทําไมแอปเปิ้ลมันไม่เวลามันดูดจากต้นไม้มันทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปทำใไ้มันตกลงมาเขาก็สรุปได้ว่ามันต้องไม่มีอะไรดูดมันอไม่มีอะไรดูดขึ้นไปมีแต่ดูดมันลงมามันเลยมันเลยตกลงมา ถ้าคนโง่ก็ก็มันต้องตกนั่นละคนโงไไ่ไม่รู้พีคิดอะไรนะลายคนฉลาดก็ถามว่าทาไมมันถึงตกทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปพระพุทธเจ้าก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเวลาอยู่ในสมาธิไม่ทุกข์เวลาออกมาจากสมาธิทำไมทุกข์ทุกข์เพราะไปคิดเนี้นะพอคิดถึงความแก่ก็อยากไม่แก่ขึ้นมาพอคิดถึงความเจ็บก็อยากไม่เจ็บขึ้นมา เห็นไหมหมอเพียงแต่บอกจะฉีดยาให้เข็มหนึ่งนี่ก็ทุกข์แล้วยังไม่ทันฉีดเลยเพงแต่คิดว่าจะถูกฉีดยามันก็ทุกข์แล้วเพราะความอยากมันเร็วมากนะพอรู้ว่าจะเจ็บนี่มันทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะมันไม่อยากเจ็บอันนี้เลยคนพบว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากหมอจะฉีดยาก็ฉีดไปท่านหม อ, อเจ็บก็เจ็บยอมเจ็บ แต่ความเจ็บของร่างกายนี้มันนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของใจเด็กบางคนไม่ยอมให้เจ็บไม่ยอมให้ฉีดหมอจะฉีดยานี่ร้องแบบจะเป็นจะตายให้ได้จนหมอฉีดไม่ได้แล้วเด็กที่ว่ามันฉลาดมันชนะหมอหมอไม่ต้องฉีดยาแต่มันไม่รู้ว่ามันโง่มันสร้างความทุกข์ให้กับตัวมันเอง ต่อไปมันจะทุกข์มากเวลามันเจอความเจ็บมันจะมันจะมันจะร้องววยวายแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันยอมให้หมอฉีดมันก็จะได้เจ็บนิดเดียวแล้วก็ไม่ทุกข์สรุปแล้วก็ได้ความมาความทุกข์เกิดจากความอยากนี่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วพระองค์ก็ยังเห็นด้วยว่าเวลาอยากอยากอะไรทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเหมือนกัน นะอยากกินกาแฟนี่อยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องไปหากาแฟมาดื่มนะถึงจะหายทุกข์คนโง่ก็เลยคิดว่าวิธีที่จะทําให้หายทุกข์ก็คืออยากอะไรก็ต้องไปทําตามความอยากนะพออยากแล้วความอยากมันก็หยุดไปชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็หายไปแต่มันไม่หายไปตลอดนะเดี๋ยวพอกกรีดกาแฟหมดความอยากกาแฟมันก็โผล่ขึ้นมาใหมา่ แต่คนเจลาดก็บอกว่าถ้ามันทุกข์เพราะความอยากก็อย่าไปทําตามความอยากเลยฝืนมันไปเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเองด้วยหยุดความอยากเสียด้วยการเข้าไปในสมาธิแทนพออยากกาแฟก็พุโทโธพุโทโธดูลมหายใจนั่งทําใจให้สงบพอใจสงบความอยากกาแฟก็หายไปทุกครั้งที่อยากก็ทําอย่างนี้ต่อไปความอยากมันก็หมดนิดไปมัน ความอยากมันมีฤทธิ์มันมีอายุเพราะว่าเราไปต่ออายุให้มันด้วยการไปทำตามความอยากความอยากมันจะหมดอายุก็ต่อเมื่อเราไม่ไปทาไม่ไปต่ออายุให้มันมันอยากอะไรก็อย่าไปทาตามที่มันอยากแล้วเดี๋ยวมันก็หายอยากที่ให้เอาเงินมาทำบุญทำทานเพื่อจะได้ตัดความอยากใช้เงินเอาเงินใช้ตามความอยาก เงินนี่มีมีหน้าที่เดียวก็มีเอามาเลี้ยงร่างกายหน้าที่เอาเอาไปทำตามความอยากนี่มันเป็นการใช้เงินที่ผิดเพราะมันเป็นการส่งเสริมต่ออายุความอยากสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัว mm. พออยากซื้ออะไรก็ซื้อพอซื้อแล้วมันก็ติดอยากจะซื้ออีกแล้วเดี๋ยวพอไม่มีเงินจะซื้อก็ทุกหรือไม่มีของจะซื้อก็ทุกมีเงินแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดิ ซื้อมาหมดแล้วทุกอย่างที่อยากได้ก็ทุกข์เองหรือถ้ามีของจะซื้อแต่ไม่มีเงินจะซื้อก็ทุกข์แหละสิแต่คนที่ไม่มีความอยากจะซื้ออะไรจะไม่ทุกข์มีก็มีไปสิมีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่ไม่เป็นปัญหามีของจะซื้อไม่มีของจะซื้อก็ไม่เป็นปัญหาแล้คนที่ไม่มีความอยากนี้เขาไม่หิวเขาอยู่เฉยๆเขามีความสุข เหมือนกับเข้าไปในสมาธิเวลาที่เราไม่อยากนี่เหมือนอยู่ในสมาธิไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าเราไม่มีความอยากอยาตอนนี้เราไม่มีความอยากเรานั่งสบายใช่ไหมแต่มันไม่มันไม่อยากไม่นานนะเดี๋ยวปับ๊บหนีก็อยากแนละ้วอย่างน้อก็อยากจะลุกแล้วไม่อยากจะนั่งตรงนี้ต่อไปก็ต้องลุกแล้วถ้าไม่ลุกก็อึดอัด รียาการรู้สึกอึดอัออ ด, อ ด, อดหงุดหงิดขึ้นมานี่แหละคือความอยากแต่ถ้าเราฝืนมันดูเี่ยจะล่างตรงนี้ไปสักห้าชั่วโมงมึงจะหงุดหงิดกูก็ไม่กูก็จะสู้กับมึงเดี๋ยวมันหมดกำลังอยากจะลุกมันก็นั่งต่อไปได้สบายนี่คือปัญหาของใจที่มาครอบครองร่างกายก็ือหนึ่งไปหลงไปคิดว่ามันตัวเราของเรา สองไปอยากให้มันอยู่กับเราไปนา น, นานๆเพราะเราอยากจะใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเรามีความอยากหารูปเสียงกลิ่นรสเราเลยต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆ ร, ร่างกายนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมามีใหม่แล้วพอมีร่างกายก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกขกับการเลี้ยงดูมันหากินห า, นหาอยู่ แล้วก็ต้องมาทุกกับภัยต่างๆที่จะมาคอยทำลายร่างกายนี้ใจก็เลยไม่มีความสุขมีแต่น้อยสุขเฉพาะเวลาได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสชั่วครั้งชั่วคราวช่ว ง, ง, งไหนได้ไปเที่ยวก็เฮฮากันเนี่ยตอนปีใหม่ก็สนุกกันไปเที่ยวกันตอนนี้ก็ต้องมาทุกกับการห า, หาเงินหาทองะต้องไปทำงานทำการไปอะไรต่างๆ แล้วเดี๋ยวพอถึงตุจจีก็ได้ไปเที่ยวกันอีกครั้งแล้ว mm hmm. มีเงินพอจะพอจะได้เที่ยวแล้ว mm hmm. แล้วหลังจากตุรจีนก็กลับมาทำงานต่อ mm hmm. เดี๋ยวสงกราก น, ก, น mm hmm. ก็ได้ไปเที่ยวกันอีกแล้วนี mm ่ hmm. ชีวิตของมนุษย์เราก็อยู่แค่นี้แหละอยู่กับการหาเงินะอยู่กับการใช้เงินไปวันวันหนึ่งจนแก่เจ็บตายไป mm hmm. เวลาแก่เจ็บตายก็ทุกข์กัน เพราะไม่เคยมาศึกษาไม่เคยมาหาวิธีหยุดปัญหาแก้ปัญหาที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาพวกที่มาบวชเนี่ยเขามีเวลามีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้แก้ปัญหาคือหยุดความอยากทำลายความอยากแล้วเขาก็อยู่อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายเหมือนพวกเรา ไม่เห็นต้องเขาไม่ต้องไปทํางานเนี่ยพระพระสองฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์นี่ท่านไม่ต้องไปทําท่านทําแค่วันละชั่วโมงนะตอนเช้าไปบิณฑบาตเนี่ยเดินบิณฑบาตชั่วโมงหนึ่งก็ได้อาหารมาเยอะแยะนะตอนบ่ายก็กวาดลานวัดหน่อยเสร็จละจบเรื่องการทํางานมีแค่นี้สําหรับผู้ที่ไม่มีภารกิจแล้วสิ้นภารกิจแล้วไม่เห็นได้ต้องทํำต่อไป ถ้ายังไม่เสร็จภารกิจก็ต้องไปเดินจงกร ม, กมนั่งสมาธิไปควบคุมความอยากไปหยุดความอยากให้ได้เท่านั้นเองพอหยุดความอยากได้หมดแล้วก็ไม่มีงานจะทำแล้วตกงานอุสิตังป ร, รมจารี์ยังภิกิ์ในบ ร, รมาจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้วคือได้ทำลายความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปแล้วก็ไม่มีไม่มีงานจะทำต่อไปนอกจากงานสงเคราะห์ สงเคราะห์โลกกูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายพอท่านเสร็จกิจของท่านแล้วท่านทําอะไรท่านก็สงเคราะห์โลกสงเคราะห์ด้วยอะไรก็ด้วยธรรมพระพุทธเจ้าวันหนึ่งสงเคราะห์โลกต้องสี่สี่ครั้งห้าครั้งด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจ5้กิจของพระพุทธเจ้ามีห้าประการด้วยกันตอนบ่ายสั่งสอนญาติโยมสั่งสอนธรรมะให้แก่ญาติโยม ตอนค่ำสั่งสอนธรรมะให้กับภิกษุสัมมาเนนักบวชตอนเด็กสั่งสอนธรรมะให้กับเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกไปบินธบาติก็เล็งยานหนอว่าวันนี้จะไปสงเคราะห์ใครเป็นกรณีพิเศษใครพร้อมที่จะรับธรมและบรรลุธรรมได้ท่านก็รุ่งไปที่คนนั้นแล้วก็ไปสงเคราะห์ด้วยการบินธบาตโปรดสัตว์ให้สัตว์ได้มีโอกาสได้ทาบุญ พระไม่ได้เป็นขอทานพระเป็นผู้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทําบุญได้ทําบุญแล้วได้รู้จักกับผู้รู้คือพระสงฆ์องค์เจ้าพอใส่บาตกันรู้จักกันเดี๋ยวก็มาคุยกันมาถามกันว่าพระคุณเจ้าทําอะไรรู้อะไรเนี่ยก่คนนี้ใส่บาต ท, ทุกวันที่บ้านอําเภอเนี่ยอย่างนี้ก็มาคุยกันมาถามปัญหากันอยู่เลย อย่นี้หายงอเลยไหมหายไปเยอะหายไปเยอะแต่ยังไม่หมดน ะ, ย, ะยังเสียดายอยู่ก <c oughs> ็มีอยู่ที่พระอาจารย์เคยสอนว่าให้นั่งสมาธิบอกว่าให้ทําให้นานๆแล้วให้รวมเจ้าค่ ะ, ะหนูเมื่อสักสองวันที่ผ่านมาหนูก็พยายามทําแล้วก็บอกว่าวันนี้อ้งใจไว้ว่าวันนี้จะนั่งให้งานที่สุดที่จะนานได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูได้ยินเสียงใครเรียก ก็จะไม่จะไม่เปิดประตูหรือไม่ขานออกไปเจ้าค่ะทีนี้หนูก็นั่งนั่งไปไม่คิดว่าชีวิตที่ผ่านมาสองปีที่ขึ้นกำลองบนเขาหนูนั่งได้ชั่วโมงครึ่งเจ้าค่ะอืแต่หนูก็รู้สึกตัวเองว่าไม่เห็นจะมีอะไรอันนี้ส่วนตัว ว, ว่ารวมไม่เห็นจะรวมตรงไหนเลยเจ้าค่ะแต่สิ่งที่หนูคิดนะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูคิดว่า หนูได้ยินเสียงคนเรียกชื่อหนูแล้วก็มีเสียงปิดประตูหนูก็ไม่กล่าวหนูไม่นูไม่ไปตอบหนูไม่อยากว่าใครมาหนูไม่รู้ว่าหนูคิดถูกไหมที่ทำแบบนี้เวลานั่งสมาธิไม่ให้ไปสนใจกับอะไรให้สนใจอยู่กับภาวนาเราพุทโธก็พุทโธไปเราดูลมก็ดูลมไปที่ยังไม่รวมเพราะว่ายังไม่มันไม่อยู่มันไม่ติดอยู่กับพุทโธอย่างต่อเนื่องมันอยู่พุทโธปป๊บเดี๋ยวมันไปฟังเสียงนู่นไปฟังเสียงนี้ ต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็รวมถ้าไม่อยู่กับพุโทโธนั่งไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รวมแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องห้านาทีก็รวมส่วนใหญ่มไม่ต่อเนื่องพุโทโธได้สองสามทีไปละไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ละไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ละแล้วก็กลับมาพุโทโธใหม่ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนเดินเดินออกจากบ้านได้สี่ห้าเก้าก็เดินกลับเข้าบ้านใหม่ละ แล้วเดี๋ยวก็เดินออกจากบ้านไปอีกห้าหกเก้าก็เดินกลับก็ไปบ้านใหม่ไม่ไร้อไยปไม่ถึงไหนแน่ทีมันต้องเดินไปตลอดอย่าเดินกลับอย่าไปคิดเรื่องอื่นต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กัลมไปอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวห้านาทีมันก็ถึงจุดหมายปลายทางทุกครั้งที่คิดปับก็เหมือนกระลม้มเริ่มใหม่พอคิดปับก็เริ่มใหม่ มันถึงไปลาไม่ถึงไหนกันน้าทีมันถึงต้องไปหาที่มันที่บังคับให้ให้ภาวนาเช่นไปอยู่ที่ไหนที่น่ากลัวเนี่ยพอคิดว่าผีจะมาก็พุโทโธพุทธโทมันจะไม่ไปคิดถึงอะไรเลยเนี่ยบางทีพระที่กลัวผีเนี่ยไปอยู่พอเจอผีก็พุโทโธพุทธโทไปเดี๋ห้านาทีจิตก็รวบขึ้นมาหายกลัวก็อ่านไมในหนังสือที่หลวงตาเขียนอ่าบางรูปกลัวผีต้องไปหาผี ให้ผีมันไลให้ไลจิตเข้าข้างในงั้นมันจะชอบบอกไปคิดเรื่องข้างนอกอยู่เรื่อยๆถ้าอยู่ที่ปลอดภัยมันก็ไม่กลัวมันก็เลยไม่ไม่กลัวมันก็เลยคิดเรื่อยเปื่อยไปแต่พอไปอยู่ที่ไหนน่ากลัวนี่คิดกันใหญ่พูดโธกันใหญ่เหมือนญาติยมที่ขึ้นเครื่องบินพอรู้เครื่องจะตกนี่โอ้ยสวดมนต์กันใหญ่เลยไม่คิดถึงก็อะได้ตอนนั้นสวดอย่างเดียวอ่ะ สวดแล้วใจก็เย็นสบายสงบขึ้นมาหาให้กลัวตายก็ไม่ว่าอะไรตายก็ตายไปเอาหนูเป็นยังไงเ ม, ามาื่อวานนี้เล่าให้ฟังหน่อยนิเมือ่อเมื่อวานนั้นนะคะ่ะหนูตั้งใจจะมาจะมาภาวนานกับพระอาจารย์นี่แหละคะ่ะหนูก็ไปที่หัวลำโพงไปดูว่ารถไฟมากี่โมองอะไรเข้าหลายเสร็จเย็นตกเย็นนะคะพระอาจารย์ตกกัางคืนอะ่ะ หนูปวดท้องหนักมากเกิเข้าห้องน้ําถ่ายท้องระหว่างที่ถ่ายหนูขอโทษนะคะหนูอาเจียนออกมาด้วยทั้งถ่ายทั้งอาเจียนแล้วอยู่คนเดียวอะคะ่ะแล้วคนงานที่ดูอดูอ้วกของเจนอะคะ่ะก็มองว่าโฮย้ยนี่มันธาตุดินนะเนี่ยคนเราเนี่หลงรักหลงชังกันแค่ตรงนี้เองเนี่ยก็คิดไปอย่างนี้ค่ะหนูก็ออกมานอน นอนเสร็จเขาเนี้ยยังไม่หายค่ะเข้าห้องน้ำอีกรอบสองรอบสามรอบสี่ร่างกายขาดน้ำความคิดอะไรมาเยอะแยะหมดตายแล้วจะโทรหาใครดีไอมูเลน์มารับเราได้ไหมตอนนี้เซิร์ชหาอะไรไม่เจอแล้วคืนนี้มีกำลังไหมแต่กระทั่งจะหยิบโทรศัพท์ค่ะคิดถึงเจ้าของหอว่ามาช่วยทีเหอะจะตายแน่ๆแล้วรอบนี้ก็เจ้าของหอก็อยู่ไกลค่ะคนละบ้าน พี่ข้างห้องเคยเคยเปยว่าถ้ามีอะไรเรียกพี่นะเดี๋ยวพี่มาดูแลได้เขาอยู่คนเดียวค่ะก็ไม่มีแรงไม่มีเสียงที่จะเรียกเขาค่ะจะลมร้อนลมเย็นตีริ่งอยู่ในร่างกายร้อนเย็นวูบวับหนาวมากแล้วก็คิดตัวงว่าโอเคต้องช่วยเหลือตังให้มากที่สุดก็คึ๊ดคึดใจที่มาดูแลน้ำไปได้สี่อึกแล้วก็นอนลงไปค่ะ แล้วก็คิดว่าโอ้ถ้าตายในห้องเนี้ยหอึดขึ้นมาใครจะมาเจอเราเนี่ยแม่คงจะตามหาเราไม่เจอแล้วนี่เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้บอกใครว่าว่าอยู่ตรงไหนยังไงในทุ่งเทียอยู่ที่ไหนคะ่ะอาจารย์เสร็จตอนนั้นแล้วก็คิดว่าเอาแล้วพ ว, วกนี้จะมาหาอาจารย์สุชาติจะมาฟังธรรมละมาลมาผจนกลุงจริงเลยคิดเกิ ด, ด, ดเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ไปวัดก่อนไม่ได้หรือไงใหราเป็นอย่างนี้คือคิดสารพัดค่ะพระอาจารย์ปรากฏดแรงหมด ลมตีร้อนเย็นในตัวหนาวจะฆ่าร่างกายคิดจะตายแล้วค่ะลมเพิ่สุดท้ายมาบอกเลงว่าตายเลยมงตายไปเลยอยากตายตายเลยตายเมืองนี้ยคิดเนี้ยค่ะไม่เอาละไอ้ที่คิดเมื่อกี้เยอะแยะร้อยเรื่องอ่ะไม่สนทิ้งมันเลยอาจารย์มไม่สนแล้วตายไปเลยตายไปเลยพอคิดนี้ค่ะอาจารย์ใจใจเบาใจอาจารย์ขามันใจขาดอ่ะ ใจขาดกายอ่ะคือขาาดจา ก, กไม่สนใจกายแล้วแล้วพอรุกพอหนูได้เงี้ยหนูใจเบาขาดกายเหมืองพี่ตรงมันนิดนึงพอไม่สนปุ๊ทพี่ตัวมานนิดนึงหนูหนูเห็นหลวงปู่แหวนลงมาจากลงมาจากฟ้าแล้วหนูก็อ่ะหลวงปู่แหวนค่ะแล้วท่านก็เอาไม้เท้าอ่ะเหมือนจะยืดให้หนูแล้วอ้าวเงี้ยหนูสลบไปเลยค่ะพอสลบไปหนูฟื้นอีกทีนึงตอนตีห้าสิบตีห้าสิบนาที กระดุ ก, กระดิกมือได้แรงมาสดชื่นนูก็เฮยหายหรอเนี่ย <laughs> พอจากนั้นหายเสร็จหนคิดว่าไปวัดได้แล้ว <laughs> <laughs> แล้วก็ลุกลุกไปเข้าห้องน้ำเช็ดเช็ดอวบของตัวองอะค่ะทำความสะอาดนรูปปุก็รีบนั่นมาประกาตอาจารย์เนี่ยแหละค่ะทำเป็นไงตอนนี้ไม่ได้กลัวอะไรแล้วไม่ผ่านคือคิดเลยว่า ที่ภาวนามาทั้งหลายหลายๆปีอ่ะพอมาเจอของจริงค่ะอาจารย์ตอนนั้นหนูยังหายใจไม่เจอได้ซ้ํำมาถึงข้าจริงอ่ะหนูรีบหาสติอ่หาใจด้วยใจอยู่ไหนหาแล้วไม่เจอถึงข้านะคะพระอาจารย์อารมณ์โกรธมีไหมลมร้อนลมเดืนตีในร่างกายไปหมดสารพัดความคิดเยอะแยะไปหมดเลยห่วงก็ยังมีค่ะหม่วงห่วงตายเนี่ยแต่พอวันนึงพอพินารณาทีนึงเสี้ยวหนึ่ ง, พพงมันไม่ห่วงตายละมันแบบพอมตายไปเลย อย่างนี้ค่ะเหมือนกับสุดแล้วอ่ะอยากตายตายไปอย่างเงี้ยมันขาดกันเองอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็เลยไม่กลัวแล้วค่ะไม่เป็นไรอ่าอย่างนี้สบายแล้วสบายแล้วไม่กลัวอดไม่กลัวเจ็บอาจารย์บอกว่าหนูสบายแล้วหนูก็รับน้องรับค่ะอ่าก็หนูต้องหนูรู้เองสันติโกอ่าพอเราถ้ามันผ่านความตายไปได้เราไม่ค่อยกลัวอะไรแล้ว ก็มันก็รู้ว่ามันอย่างมากก็แค่ตายแล้วก็ไม่มีมันไม่มีใครไม่ตายก็ต้องตายแต่เมื่อมันผ่านไมได้แล้วมันก็รู้ว่าไอ้ที่ตายกับไอ้ตัวที่ไม่ตายมันมันเห็นชัดเนี้ยไอ้ตัวที่ตายมันก็ตายไปไอ้ตัวที่อยู่มันก็ยังอยู่ค่ะอาจารย์หนูเข้าใจเลยคำว่าแบบจิตสุดท้ายอ่ะถ้าเรา คือเหมือนในที่ภาวนามามันต้องใช้วินาทีนั้นให้ได้มากที่สุดค่ะเราซ่อมมาอย่างไงถึงเวลามันก็จะใช่ถ้าไม่เคยซ้อมมามันทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นแน่ค่ะจารมันจะกลัวขึ้นมาทันทีหรูคงร้องไห้หรูสวดมนต์ซุนซ่านสุดๆอ่ะแต่หรูแบบแบบยอมตายอ่ะอยากตายไปเลยอย่างนี้ค่ะอาจารยนั่นแหละบอกเราแบบนี้เนี่ยอันนี้ส่งจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลามันก็ มันก็จะทําไปตามที่ได้ศึกษาได้ซ้อมมาเหมือนนักมวยต้องซ้อมชกกระสอบทรายไว้ก่อนพอขึ้นเวทีก็ชกจริงเลยไม่ได้ตั้งตัวว่าคืนนั้นจะตายนะคะมันไม่มีใครรู้จะตายเมื่อไหรไม่มีใครรู้หรอกรืออยู่คนเดียวด้วยคะไม่ีใครช่วยหนูช่วยตัวเองนะคะของพ่อคะแต่เวลาหนูเจ็บ ไม่ได้นึกตรงนี้ค่ะนึกแต่พุโทโธอย่างเดียว น, น่าหล่ะก็เราถูกสอนเราฝึกได้แค่นั้นไงเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นโปร่งได้พุโทโธอ่ะอะย่างเดียวก็ เ, เคยใช้ยาอย่างไงเราก็จะใช้ยาอย่างนั้นไงคนที่สวดถ้าเคยทุกข์แล้วใช้การสวดมนต์ถึงเวลาก็ทุกข์เขาก็จะสวดมนต์ไปคนที่ใช้ปัญญาโปร่งได้เขาก็จะโปร่งปล่อยไปอะอะไรจะเกิดก็เกิด นี่มันอยู่ที่การฝึกซ้อมของเราว่าเราอยู่ขั้นไหนขั้นสวดมนต์ขั้นขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาเนี่ยมันจะแต่ละคนจะจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหตุการณ์คล้ายๆกับของหลวงตาที่ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านก็เป็นโรคหัวใจท่านบอกว่าหัวใจของท่านหยุดเต้นหรือว่าร่างกายของท่านแบบว่ามันมันหมดหายไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว ตอนนั้นท่านก็คิดว่าจะตายแล้วหรือจะตายก็ยอมก็ตายวะเพระท่านคิดอย่างนี้เดี๋ยวจิตมันก็กลับเข้ามาหาร่างกายใหม่ตอนต้นจิตมันหดเข้าไปหมดแล้วถ้าคนท่านบอกว่าถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฝึกมาพอถึงจุดนั้นมันจะกลัวเพราะกลัวปั๊บมันไปเลยความกลัวนี่มันพาให้มันจะดันจิตให้หนีไปเลย แต่ท่านไม่มีท่านไม่มีความกลัวท่านมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาพอร่างกายมันเหมือนจะดับแล้วจะหมดแล้วท่านบอกเหลือเปอร์เซ็น์เดียวแล้วจิตมันก็ถามตัวเองว่าจะไปแล้วหรือจะไปก็ไปพอท่านบอกจะไปก็ไปนะมันเลยไม่ได้ไปมันก็ย้อนกลับเข้าไปในร่างกายต่อถ้าได้ฝึกสติได้ฝึกอะไรมาแล้วมันจะไม่กลัวมันจะสักแต่ว่ารู้ไป อะไรจะเกิดก็ลู้มันไปจนวาระสุดท้ายของมันไม่ตื่นเต้นไม่ไม่สับสนวิ่งห า, ห, หานน่นหานี่หาพุทโธหาหาอะไรวุ่นไปหมดนี่อาจิตสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าทำบาปมาทั้งชาทั้งชาติพอจะตายแล้วมันจะคิดทำบุญมันคิดไม่ได้หรอกมันก็จะคิดแต่เรื่องบาปที่ทำมาเห็นไหมคนที่ทำบาปเวลาจะ ต, ตายนี่ มีร้องเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนเสียงของสัตว์ที่เขาไปฆ่าไปฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพราะมันมันได้มันได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านั้นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวอะไรพอวเวลาตัวเองจะตายก็ร้องเหมือนเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนวัวจะตาย <c oughs> อันนี้ก็ที่เล่าให้ฟังนี้คือคือให้เขาเราจะได้รู้ไงว่าจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องมีข้อสอบ ที่เราพิจารณานี้ยังเป็นเหมือนการทำการบ้านอยู่พิจารณาว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแล้วก็คิดว่าเรายอมเพราะเรารู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ยอมแล้วเราคิดว่าเราไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะเรายังไม่เจอมันเหมัอนเหมือนคิดว่าเสือนี่เราไม่กลัวมันเสือมันก็นวงตาท่านก็เคยสอนให้พิจารณาว่าเสือม yep. ันกับเรามันต่างกันตรงไหนเสือมันก็มีฟันเราก็ม MM. ี เสือมีเขี้ยวเราก็มีฟันเสือมีขนเราก็มีขนเสือมีเนื้อเราก็มีเนื้อเสือมีอะไรต่างๆมีปอดมีตับเราก็มีเหมือนกันถ้าบอกค้นไปค้นมามีอย่างเดียวที่มันมันมีเราไม่มีมันมีหางเราไม่มีหางงั้นเรากลัวหางเหรอมันมีอะไรที่มันน่ากลัวทว่าให้เป็นเจนาเวลาไปอยากจะไป อยากจะไปสู้เสือนี่ให้พิจารณาดูว่าเสือกับเรามันต่างกันแค่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นเพลงแต่ทําการบ้านเวลาได้ยินเสียงมันคำรามจริงๆนี่มันใจจะสั่นหรือเปล่าถ้าไม่สั่นก็แสดงว่าไม่กลัวจริงๆนะครคือเราต้องทําการบ้านก่อนซ้อมก่อนเมื่อซ้อมแล้วทีนี้เราก็ไปหาที่ทําข้อสอบตวกลัวผีก็เหมือนกันนะ กลัวผีมันอย่างมากผีมันจะทําอะไรได้มันก็ฆ่าเราท่านเองมันก็มาบีบคอเราตายท่านเองแล้วเราพวกพิจารณาว่าร่างกายมันก็ต้องตายไม่ใช่เหรออยู่ที่ไหนก็ต้องตายเหมือนกันอยู่ในวังมีาพาพาปลอปภคุ้มครองยี่บสี่ชั่วโมงมันก็ต้องตายเหมือนกันถ้าถึงเวลาจะตายงันยอมตายเถอะพอคิดว่ายอมตายแล้วนนั้ต้องไปพิสูจน์ดูสิว่ายอมยอมจริงหรือเปล่าก็ต้องไปหาที่เรากลัวเนะี่ย กลัวผีก็ลองไปแถวป่าช้าดูไปนั่งคนเดียวเด็ป่าช้าดูแล้วเวลาผีมานี่ดูเสียยอมตายได้หรือเปล่ายอมให้มันบีบคอให้ตายได้ไ่มถ้ายอมแล้วมันจะหายมันจะหายมันจะเป็นอย่างงี้มันจะนิ่งมันจะเฉยมันจะสบายตอนนั้นมันจะรู้ว่ามันปล่อยร่างกายร่างกายกับใจมันจะแยกออกจากกันใจสบาย เหมือนครั้งหนึ่งเราเคยได้สัมผัสใจใจนะใจมันเหมือนกับมันฝัน่ะมันฝันมันมันจะจมน้าตายตอนที่มันจะจมนี่มันก็ตามทสันสัชาตะยานมันก็ตะเกียกตะกายพยายามที่จะไหวเพื่อให้มันไม่จมแต่เวลาพยายามทำมันเหนื่อยมันทรมานแล้วมันรู้ว่ามันจะหมดแรงมันเลยบอกว่าไม่เอาแล้วเว้ยปล่อยให้มันตายดีกว่า พอปล่อให้มันตายร่างกายมันก็จมจริงๆแต่พอร่างกายมันจบจิตมันก็แยากกว่าใจร่างกายจิตมันก็นิ่งสงบมันสบายมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันเห็นชัดเลยว่าร่างกายกับจิตนี่มันไปคนละส่วนกันอันนี้ปฏิบัติไปได้บางทีมันไม่ได้คาดฝันมันเกิดขึ้นเองเหตุการณ์เหล่านี้แต่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา ถ้าไม่ถ้าไม่เตรียมตัวไว้พอมันจะจมน้ําตายแล้วก็จะตะเกียกตะกายไหวยสู้กับมันแล้วเดี๋ยวก็จะตายแบบทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราเอยฝึกแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราต้องปล่อยมันพอถึงเวลาที่มันจะทุกข์เพราะยึดกับติดยึดติดกับร่างกายเราก็จะรู้เราจะรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยมันอยอมให้มันตายพอยอมให้มันตายก็เป็นหายทุกข์เลย อ, อย่างนี่เกิอย่างเงี้ยเรื่องของการฝึกซ้ำถ้าไม่ฝึกซ้ำอากาศมันจะไม่ปล่อยมันจะต่อสู้ต่อสู้เพื่อยื้อเอาชีวิตไว้ให้ได้ยิ่งสู้เท่าไหร่ยิ่งทรมานถ้าปล่อยแล้วมันสบายมันเย็นมันสบายมันจะไม่ทุกข์แล้วหลังจากนั้นมันจะไม่กลัวตายต่อไปพอมันรู้รู้จักวิธีตายอย่างสงบตายอย่างสบายอยู่ก็อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบาย เพไม่มีอะไรจะต้องกังวลพ่ารู้แล้ ว, วมันจะต้องเจอความตายด้วยกันแล้วก็รู้จากวิธีตายแบบแบบสบายมันก็จะอยู่อย่างสบายตายอย่างสบายนี่คือการมาปฏิบัติมาเจริญสติเพื่อให้มีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อให้เข้าใจว่าร่างกายกับเรานี่เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนฝาแฝดแฝดสยาม พอถึงเวลาที่ร่างกายแสบแสบนองมันจะเป็นอะไรก็ตัดมันไปเลยอย่าไปติดอยู่กับมันติดอยู่กับมันแล้วเดี๋ยวเราเราจะทุกข์กับมันนะอันะนะนี้อาจารย์ว่าไงโอเคไหมมีอะไรจะเตริมมีจะเติมไหมตอนนี้ปฏิบัติอยู่ป่ะพิจารณาร่างกายอยู่ป่ะ นะพิจารณามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแล้วสอนใจให้ยอมรับให้ได้ปล่อยให้มันให้ได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งนั่นเองเห็นไหมเด็กเวลาที่มันเสียตุ๊กตาไปมันร้องห่มร้องไห้ถ้าเป็นแทบตายอยากจะได้ตุ๊กตาคืนนะเพราะมันมันมันไปติดไงมันไม่มีความสุขกับตุ๊กตาพอไม่มีตุ๊กตาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไม่มีความสุขเราก็ต้อง พิจารณาร่างกายว่ามันเป็นเหมือนตุ๊กตาแล้วเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้นี่ก่อนจะพิจารณาต้องต้องหน้าสมาิจะมีกลังก่อนใช่ใช่ต้องมีกำลังมีความสุขในตัวเองไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งนั่งกา ย, ไ ม, ากายไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะปล่อยได้ถ้ายังต้องใช้ร่างกายอยู่มันก็ยังจะปล่อยไม่ได้ พอเรามีสมาธิมีความสุขเรารู้จักวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งเป็ความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกา ย, ยงั้นต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนนะงั้นต้งต้องฝึกสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิปล่อยไม่ได้นูฝึกสมาธิมานานแล้วยังถ้าปีนี้ก็เข้าปีที่สิบสี่ค่ะสิบสีแล้วเหรอเออเรคิดว่าพอมีสมาธิอยู่บ้างถึงปล่อยได้ใช่ไหม ก็ขอให้ลองเอาไปปฏิบัติกันดนะูแล้วผลมันจะคุ้มค่าใจจะสบายจะโล่งจะเบาไม่วิตกไม่กังวลไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายกต่อไปมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็เป็นเรื่องของมันเราไม่ได้เป็นมันเราก็ดูแลมันไปตาม กำลังตามอัตภาพดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ไปทุกคนก็ต้องไปนะก็คิดว่าพอสมควรเวลาการเวลาจะข อ, อนุมโมทนายะถาวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิตโตทินงังเปตานางังอุปปักะปะติ อิทิตางปัตติตางตุลหังกิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกะปาจันโทปนะหระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาชันโตสัพพารุโคลวนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนสีฤทสะนิจจังวุฒาปจายโนยตาโรธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภลั พอดีเซิเซนทำงานกับพวกครูดังนี้นอยากจะขอคำแนะนาำจากท่านอาจารย์นะคะว่ามีบางคนนะคะับพติดกับอารมณ์ในการทำงานมกาามเนมัน ก, ก็จะต้องมีการพูดพูดกันแลกกันแนะมีการพูดแต่ชนิดที่ว่าถ่าไม่เกิดความวุ่นวายใจเราบางคดจะรวคฟัว่าเหมือนระถูกใส่ความแต่นี่จช่วยบอาจัอารมณ์ตรงนี้ยังไง คือตัวเขาต้องอยากดูดถ้าเขายังไม่อยากเราไปช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้เขาต้องยอมรับว่าเขา <c oughs> เขามีเขาต้องยอมรับว่าเขาเขามีปัญหาแล้วเ็าอยากจะแก้ปัญหานี้เราก็จะช่วยเขาได้ถ้าเขายังไม่ยอมรับว่าเขาเป็นมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากแก้เราก็ไปช่วยเขาไม่ได้ไมันเป็นเรื่องของนิสัยไง นิสัยที่ชอบเป็นอย่างนี้มันติดมาเป็นนิสัยเหมือนคนที่ติดติดใช้มือขวามามันก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆอยู่ดีๆจะไปบอกให้เขาไปใช้มือซ้ายเขาก็เขาไม่ใช่หรอกนอกจากบอกเหตุผลว่ามือขวาใช้ไม่ได้แล้วต้องมาหาใช้มือซ้ายเขาก็จะยอมมันเป็นเรื่องของ อารมณ์เ้าไปปิดอยู่กับการทหาินแล้วเาก็บอกเป็นการเป็นความระบายอารมณ์ของเขาไงเวลาเขาไม่สบายใจเรื่ออะไรกับใครก็ก็จะใช้การคารหารินทางเป็นการระบายแล้วเราก็ต้องยอมรับสภาพเท่นั้นเองก็าเขาเป็นอย่างนี้ก็ต้องอยู่กับเขาไปหรือถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็แยกกลุ่มมันไป อย่าไปทำกับเขาถ้าเราลองทานทนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปแก้เขาแก้เราง่ายกว่า <c oughs> ถ้าจะแก้เขาก็เพราะเขาอยากจะให้เราช่วยแล้วก็บอกเขาได้วิธีแก้ก็คือเขาต้องมีสติต้องรู้ว่าตัวเองกำลังมีกำลังทำอะไรอยู่แล้วกำลังก่อละหานินทานไปก็ให้หยุดซะขึ้นขึ้นเราจะกลับ ต่างประเทศไปดูอาจารย์ก huh. uh ็ม huh. uh. um ีอ huh. ย uh ่องเดียวอยู่ที่ไหนไปเรียนที่ไหนอยู่ที่อยู่เมืองไหนอยู่เจอร์ซีย์นวเจอร์ซีย์แคมเดนนะอยู่เมืองอะไรแค่นนวเจอร์ซีย์เมืองไหมดิสันแมดิสไปเรียนเสรมก็ไปทางานอยู่ปีอ๋ออยู่ปี่เร็นอยู่อะไรอยู่เป็นเป็น private นะครับชอูเจอร์ซีย์ เรียนคณะไหนเมเจออะไรเศรษฐศาสตร์จิตวิทยาตั้งใจเรียนให้จบนะแม่ยายเขาซึมซับเรื่องนี้เพื่อเอาไปใช้ในการเรียนหรือการทำงานก็พยายามพาเขามาพบปฏิบัติดีปฏิบัติช้อก็พยายามฝึกสติให้จิตอย่าคิดมากให้จิต อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังดูหนังสือก็ให้ดูแต่หนังสืออย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วดูหนังสือมันจะเข้าใจมันจะจําได้ถ้าดูไปแล้วคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรไปอ่านไปก็อ่านไม่รู้เรื่องวิธีที่จะเรียนหนังสือได้ดีก็ต้องมีสมาธิในการอา่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ถ้ามันจะคิดก็หยุดคิดก่อนแล้วค่อยกลับมาอา่าน อ่านไปคิดไปไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วพยายามมีความขยันเหมือนเพียรความสำเร็จอยู่ที่ความเพียรความเพียรความพยายามอย่าท้อแท้ท้อแท้ก็อย่าถอยอย่ายอมแพ้ถ้าท้อแท้ก็พักเหนื่อยถ้าพักก่อนพอหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาลุยต่อทำให้มันพยายามทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สำเร็จเอง อัตตาหิอัตนโนานาะถุพ่อแม่เรียนให้เราไม่ได้เราต้องเรียนเอง น, ะนี่ใกล้จะจบแล้วเนี่ยปีสีแล้วออกำลังระวังเรื่องเพื่อนฝูงเลยอยายให้เพื่อนฝูงชวนไปเที่ยวไปเล่นก็แนลนะ้วกันคบเพื่อนที่ชอบเรียนนี่ก็เขาก็าจะชวนเราเรียนถ้าไปคบเพื่อนที่ชอบเที่ยวชอบเล่นเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวไปเล่นนะ ติดตามอ่านฟังเทศได้เนี่ยที่มีถ่ายทอดสดทุกวันเนยทาง YouTube กับเ c e b o o k เนี่ยสองโมงถึงสี่โมงเมื่ออ่านหนังสือซีดีไปอ่านก็ได้มาด้ <c oughs> ทาง <c oughs> ทาง e b o o k YouTube <c oughs> เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สี่ร้อยสองค่ะ YouTube 123อยิสามแล้ววิทยุสิบสามดีเจกลับแล้วเหรอ อที่ไรเป็นสิบเลยตอนนี้เฉลีย่ยเฉลี่ยคนฟังอาทิตย์นี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบคนหร้อสิบคนวันเอาวันนะครับสูงกว่าเมื่อเดือนที่แล้วร้อยร้อยคนนะเดือนที่แล้วเฉลีย่ยอยู่สี่ร้อยห้าสิบสอสิบคนก็คุ้มเหนื่อยหน่อยพูดทีมีคนฟังตั้งสี่ร้อยกว่าคนนะดีกว่าไปรับนิมนต์ไปนู่นมานี่ เวลานับนิมนต์นี้บางทีคนที่เข้ามาฟังเขาถูกบังคับให้มาฟังเพราะว่าเป็นเหมือนกับเจ้าของกิจการอยากจะให้ลูกน้องได้เรียนรู้ธรรมะอย่างวันก่อนก็เจ้าของอาคัลซาก็จะมานิมนต์ให้ไปอบรมพวกหญิง <c oughs> ประเภทสองชายประเภทสองเราบอกว่าเรามันต้องทำกิจอยู่ที่เป็นประจำแล้วก็ ไปสอนแบบคนที่เขาไม่สนใจมันไม่เหมือนกับสอนคนที่สนใจที่นี่ก็มีแต่คนสนใจเพราะไม่มีใครบังคับมาเองแต่ถ้าไปนับนิมนต์นีสส่วนใหญ่จะถูกบังคับมาให้ฟังเราเคยไปมาแล้วเมื่อก่อนอาจารย์ที่โรงเรียนเทคนิคก็ให้ไปสอนเด็กเทคนิคพอเราไปมันมานั่งคุยกันมันไม่นั่งฟังเรานะ เราก็เลยบอกว่าใครไม่อยากฟังก็ออกไปเถิไม่ต้องมาเราไม่บังคับคุณพ่ออย่างว่แต่ที่นี่เลยค่ะงานศพเจ้าค่ะจะมีเทศคนยังคุยแล้ยใช่ก็เขาไม่ได้ไปฟังเทศเขาไปงานศพเราไปเอาเทศไปบังคับให้เขาฟังแต่าเขาก็ไม่ฟังเัน้ยแตที่เน่มาไม่มีใครก็คุยกัน่ใช่ไหมเพราะเขาตั้งใจจะมาฟังเนี่ยมันเทศมันต้องเทศแบบนี้เทศได้คนที่สนใจคนไม่สนใจอย่าไปเทศ เทไปก็เหมือนเทน้ําใส่หลังหมาหลวงตาบอกเคยเทน้านําใส่หลังหมาไหมอันเป็น ไ, ไงมันมันมันเลียไว้แล้วมันสะบัดทิ้งหมดเลย <c oughs> <c oughs> อ่างั้นเราเลยไม่รับกลิ่นนิมนต์ไงแล้วมีแต่เชิญให้ญาติโยมมาฟังกันหอยเองใครอยากจะฟังก็มาเนี่ยเราเราออกมาพูดทุกวันนี่เกือบสามปีแล้วม้ที่ พูดเก็บทุกวันนะทำมาบนเขาปีห้าหกงี้ห้าหกห้าเจ็ดตั้แต่ห้าเก้าหกหกหนึ่งพอดีไม่ได้ไปไหนด้วยไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยอยู่เฉยๆแล้วก็คุณต่อเขาก็เลยหางานมาให้เราทำเนี่ยคุณต่อมีคนมาเริ่มคุณต่อตอนต้นจะนิมนต์ให้เทศ แล้วส่งไปที่สถานีวิทยุ f อเอ็าตอนนั้นเขาทำวิทยุธรรมะที่พัทยา f ออมอยู่แล้วเขาคิดว่าจะมาถ่ายทอดสดให้เราพูดแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณไปเข้าที่สถานีเขาแล้วเาก็จะออกอากาศแล้วทำไปทํามเขามาเอา facebook เ, เข้ามาแทนอนตอน้นตอนนั้น facebook ยังไม่มีถ่ายทอดสดก็มีแต่ อัดไว้แล้วเดี๋ยวก็โพสขึ้นไปในเฟซบุ๊กอีกทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้พอมีถ่ายทอดสดเลยมีถ่ายทอดสดกันทุกวัน<ม>ก็แบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกก็พูดธรรมะแสะดงธรรมช่วงที่สองก็ถามตอบปัญหาธรรมกันอันนี้ก็อยู่ที่ช่วงที่สองนะ<ม>ถ้าใครอยากจะถามคำถามทางธรรมะก็ถามได้ ทั้งที่นี่และทั้งที่บ้า น, นถ้าที่นี่ยังไม่มีใครถามก็จะให้ที่บ้านที่ส่งข้อความเข้ามาได้ถามก่อนอันนี้มีต่างชาติไหมมีจากเยอรมันคาจา ร, รย์สฮัลโหลอ๋อเฮลโหลเจ๋อเจ๋น ะ, ะจะเป็นคุณไม่เจอคมไม่เป็นไรละผ่านแล้วก็ผ่านไป อ่านคำถามได้เลยถ้ามีค่ะาจากคนไทยรักชาติไทยการพริจารณาแยกจิตออกจากกายทําได้อย่างไรครับก็ทำสองอย่างยขั้นแรกก็ทําด้วยสมาธินั่งสมาธิทาจิตรวมจิตก็แยกแยกออกจากกายเพราะเวลาเราพุโทโธพุโทโธหรื ด, ดูลงนี้เรากําลังดึงกระแสจิตที่ไปเกาะ อ, อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายให้กลับเข้ามาที่ใจ ถ้าดึงสำเร็จมันก็จะแยกออกจากการชั่วค่าวตอนที่จิตสงบจิตจะไม่รับรู้เรื่องร่างกายหรือรับรู้จิตก็ไม่สนใจจิตจะไม่มีอารมณ์กับอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เป็นการแยกด้วยด้วยสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาพอจิตเริ่มมารวมกับร่างกายก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นดินน้ํำลมไฟเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอยู่เรื่อยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆเวลาที่จะไปกังวลกับมันจะได้หยุดกังวลอย่าไปกังวลกังวลมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีไม่กังวลมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีถ้าทำไรายได้ก็ทําไปไม่ได้หมายความไม่ให้ทําถ้ามันร่างกายหนาวก็หาเสื้อผ้าให้มันมาใส่ร่างกายมันขาดอาหารก็หาอาหารให้มันมากิน ไม่สบายก็หาหมอหายารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปให้คิดอย่างนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์กับมั น, นเราจะรู้ว่าทุกข์ไม่ทุกข์ก็ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์เวลาที่มันแก่ผมหงอกหรือใจสบายหรือใจวุ่นวายแนละ้วพอเห็นผมหงอกพอหนังเห็นตีนกาขึ้นมาหนังเหี่ยวหนังย่นแ ล, แล้วมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ จะปุงแต่งก็เป่าเป็นมะเร็งหรือเปล่ปาเป็นอะไรหรือเปล่ปาถ้ามีปัญญาก็ว่าเป็นก็เป็นจะไปห้ามมันได้หรือเปล่ามันอนัตตามันไม่ใช่ของเรามันเป็นก็เป็นมันเป็นก็รักษามันไปหรือถ้าคิดเกยนรักษาก็ปล่อยมันตายไปรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายถึงเวลามันก็ต้องตายอยู่ดีมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล แล้วพอไปเจอใกล้ความตายแล้วยอมตายได้แล้วต่อไปมันเรายังไม่ตายมันฟู้นกลับขึ้นมามันก็จะไม่กลัวความตายเ <c oughs> พราะมันตายไปแล้ว ห, หนึ่งนะคนเราพอตายไปครั้งหนึ่งแล้วที่มันก็ไม่กลัวแล้วถ้ามันยอมตายได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ไม่กลัวตายแล้วมันก็ไม่กลัวอะไรไม่มีอะไรที่จะร้ายกาดเท่ากับความตายใครจะทิ้งเราใครจะรักเราใครจะเกลียดเราก็ไม่กลัวแล้ว จะเงินจะหมดแล้วไม่หมดก็ไม่กลัวมันไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วถ้าเรายอมตายซะอย่างเพราะอย่างมากมันก็แค่ตายเท่านี้ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินซื้อข้าวเดี๋ยวก็อดตายอดตายก็ตายเหมือนกันมีเงินกินข้าวมันก็ตายเหมือนกันต้องไปกังวลกับมันทำไมนี่คือใช้ปัญญาเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วถ้าคิดแบบนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีกาลังก็ต้องกลับไปสมาธิใหม่ เพราะกลสมันไม่มันต่อต้านแล้วมันไม่ยอมไม่ต้องคิดแบบนี้มันจะคิดไว้ไม่ได้ต้องสู้ต้องอะไรต่างๆนันาเนี่ยพวกที่จะมาบวชนี่นะกลัวอดตายต้องบอกต้องทํางานเก็บเงินไว้ทักกี่ล้านก่อนถึงก็มาบวชไม่ต้องไปกลัวหรอกถ้ามาบวชแล้วถ้ามีปัญญาสักอย่างมันมันไม่ตายหรอกมันไม่อดตายหรอกถ้ามัญยอตายมันอดตายมันก็ไม่กลัว ยังไม่ต้องเก็บไว้มากหรอพถายอมตายได้ก็ล้างชามได้ไปอยู่วัดล้างชามได้ล้องหัองล้างล้างส่วมได้ถ้าล้างชามได้ล้างส่วมได้ก็อยู่วัดฟรีได้พเขาไม่ลังเกียดหรอกคนที่ขยันอยู่วัดเนี่ยเขามีแต่ยินดีจะให้อยู่ันที่เขาไม่อยากให้อยู่ก็วพวกที่ไม่ยอมทําอะไรงอมืองอเท้าจะกินอย่างเดียวนะเ้าก็ไม่อยากจะต้อนรับนะแต่ถ้าเราเป็นพวกที่ ทำได้ทุกรูปแบบช่วยงานวัดได้ทุกรูปแบบเขายินดีให้เราอยู่ยแล้วก็ไม่ได้ให้ทำทั้งวันทั้งคืนที่ไหนก็ทําเฉพาะช่วงฉันเท่านั้นเองวัดป่าก็ฉันเช้าฉันหนเดียวฉันเสร็จแล้วกเก็บล้างเก็บกวาดเสร็จแล้วก็ไปไปภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนต่อไปนั้นนถ้ายอมตายก็อย่างแล้วไปบวชได้สบายไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่ยอมตายแล้วมันจะจูจ้จี้จุกจิกไปบวช อ้นั่นต้องเป็นอย่างนั้นไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ถึงยาถึงยาใช้ได้ถ้าไม่เป็นตามสูตรก็ไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้ลำบากจะปฏิบัติลําบากคําถามจากคุณเชิดเอชัยวิธีเอาชนะสั่งโยกศิบแบบคารวาสมีหมาครับคือวิธีใดนมัสการครับก็วิธีเดียวกับกับกับทุกคนน่ะสั่งโยกศิบมันเป็นโจทย์ของจิต มันเป็นกินเลสที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็<ม>ต้องใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวะเป็นนักบวชเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ใช้ศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันเหมือนยาเนะี่ยยาที่รักษาโรคเนี่ยใช้ยาชนิดเดียวกันใช่ไหมไม่ว่าจะกับผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่กับพระหรือกับโยม ถ้าเป็นโรคเดียวกันก็ใช้ยาชนิดเดียวกันสังโยชน์นี้ก็เป็นเหมือนกับโรคของจิตโรคของใจที่ทําให้จิตต้องทุกข์ต้องทรมานเพราะสังโยชน์สามสิบนี้ก็ต้องใช้ยากือธรรมะสอสุตรโอสถเหมือนกันใช้ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันศีลก็ต้องศีลแปดขึ้นไปถึงจะมีกําลังเหมือนรถที่จะขึ้นเขาถ้ารถ กำลังน้อยมันก็ขึ้นไม่ได้ต้องมีรถที่มีกําลังมากรถที่วิ่งบนพื้นราบนี่จะขึ้นเขาไม่ไหวเราถึงมักจะซื้อรถ SUV กันใช่ไหมไนี้มันลุยมันมีพลังมากกว่าถ้าซื้อรถแบบธรรมดามันก็วิ่งแบบถนนถนนราบเรียบได้แต่พอถ้าต้องขึ้นเขาลงเขานี่มันไม่มีกําลังการที่จะตัดสั่งยนต์นี้มันต้องสีแปดขึ้นไปสีห้ามันไม่มีกาลัง ศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยิบเจ็ดเนี่ยมันมีกําลัง<ม>ที่จะสนับสนุนให้เราภาวนาให้มีสมาธิให้มีปัญญาพอมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสังโยก็ขาดหมดเลยสังโยเป็นเหมือนเชือกศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเหมือนมีดพอมีมีดรับให้มันคมเนี่ยฟันปั๊บมันก็ขาดฟันปับ๊บสักะยะทิฏฐิก็ขาดศีลรัพธาต์ก็ขาดวิจิตกิจฉ้าก็ขาดน ปฏิฆาก่าขาดการาค่าขาดรูปราคอาอรูปราค่มานาอุทธัจจะอวิชชาเนี่ยถ้าเจอมีดของศีลสมาธิปัญญานี่มันขาดหมดนะถ้าอยากจะตัดสังโยนไม่ว่าจะเป็นค า, ารวาาหรือเป็นภระก็ต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา คำถามจกากุลสุภัตราตูนกล่าวนรรมสการเจ้าค่ะนั่งสมาธิกับนั่งกรรมาฐานมีความแตกต่างกันไหมคะหรือเหมือนกันแตกต่างกันแค่ชื่อเท่านั้นคะ่ะก็นั่งสมาธิมันมีสองระดับนั่งสมาธิการนั่งเพื่อให้เกิดปัญญาการต้นก็นั่งให้เกิดสมาธิก็ให้จิตระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทธโธพุทธโธไม่ให้คิดอะไรก็จิตก็จะสงบ ก็เรียกว่านั่งนั่งสมาธิถ้านั่งวิปัสสนาก็ก็ต้องพิจารณาทำถ้านั่งแล้วเจ็บก็พิจารณาว่าความเจ็บคือทุกขเวทนานี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมาเราไปหยุดมันไม่ได้มันจะอยู่เราก็สั่งให้มันไปไม่ได้มันจะไปเราจะดึงให้มันอยู่ก็ไม่ได้สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวกับมันก็คืออยู่กับมันไป มันมาก็อยู่กับมันไปอย่าไปยินดียินร้ายกับมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาแล้วต่อไปเราจะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาร่างกายเจ็บปวดไม่ต้องไปซื้อยาแก้ปวดกินเนี่ยขอซื้อยาแก้ปวดก็ติดเนีย่ยนี้ที่เมืองนอกที่อเมริกานี้คนติดยาแก้ปวดกันมาติดจนกระทั่งเสพเป็นแบบเสพปัญญาเสพติดไปปวดไม่ปวดก็ต้อง ต้องกินเพราะว่ามันไม่กินแล้วมันทรมานใจจกนกระทั่งกินมากเกินไปเขาเรียกว่าโอดตายเพราะยาเสพยายตายเพราะติดยาแก้ปวดกันเพราะจิตใจไม่มีกําลังที่จะสู้กับความเจ็บของทางร่างกายอาศัยยาแทนพอไม่มียาก็ทรมานก็ต้องหายามาเสพพอพอเสพก็ติดยาปวดไม่ปวดทีนี้ก็ก็ต้อ ง, ต, องต้องกินเป็นยาเสพติดไป รเราพอเสพมากๆร่างกายก็รับไม่ไหวร่างกายก็ตายแต่ถ้ามีมีปัญญานั่งนั่งวิปัสสนาได้รู้จักวิธีรับกับความเจ็บปวดได้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดมันปวดครึ่งเดียวเวลาปวดปวดที่ร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจจะไม่ปวดและที่ปวดรุนแรงก็ไม่ใช่ที่ร่างกายที่ปวดรุนแรงก็คือใจถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเรา ด, ดับความปวดทางใจได้ ความปวดทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้คำถามจากคุณโรทุนิพานรักบบวรสอบถามพระอาจารย์ครับตอนนี้มีครอบครัวมีลูกแต่มีความประสงค์จะออกบวชในอนาคตเมื่อพร้อมภรรยาและครอบครัวก็เห็นด้วยในการออกบวชเมื่อพร้อมครับรักบบวนสอบถามพระอาจารย์ว่า จะประคับประคองหรือเสริมสร้างกาลังใจอย่างไรเพื่อให้มีความมุ่งมั่นเพื่อการออกบวชครับตอนนี้ก็พยายามศึกษาธรรมะและนั่งสมาธิเป็นประจำและอยู่กับปัจจุบันทุกลมหายใจคิดว่าตายเมื่อไหร่ขอไปนิพพานเมื่อนั้นกราบขอบคุณพระอาจารย์มากครับก็เนี่ยก็พยายามศึกษาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยแต่อย่าไปเรื่อยมันต้องมากขึ้นไปเรื่อย อย่าไปปฏิบัติเท่าเดิมศึกษาเท่าเดิมมันก็จะไม่ก้าวหน้าเหมือนรถน่ะถ้าอยากจะให้รถมันวิ่งเร็วขึ้นต้องทําะไรก็ต้องเหยียบคันเร่งให้มันมากขึ้นถ้าเหยียบเท่าเดิมมันก็วิ่งเท่าเดิมถ้าอยากจะให้มันวิ่งเร็วขึ้นก็ต้องเหยียบมันให้มันมากขึ้นเหยียบให้มันติดพื้นเลยให้มันเต็มที่เลยแล้วมันก็จะไปเร็วไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าังนั้นก็พยายามศึกษาให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วจิตจะมีพลังมากขึ้น คำถามจากคุณมนทานามัสการหลวงพ่อค่ะมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรงังจะภาวนาอย่างไรเมื่อเกิดทุกขเวทนาอยู่เรื่อยๆคะ่ะก็เนี่ยเมื่อกี้ก็พูดไปปับป๊บๆเนี่ยมีสองวิธีวิธีแรกถ้าใช้ใช้ปัญญายัางไม่เป็นก็ใช้สมาธิใช้สติไปก่อนนั่งพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายเดี๋ยวคันเดี๋ยวเดี๋ยวจิตสงบก็มันก็จะไม่ทรมานความเจ็บทางร่างกายมันจะรู้สึกเล็กน้อยมาก ที่มันรู้สึกใหญ่โตเพราะเหมือนเราเอาวหวนขยายไปขยายมันเองจิตเราไปขยายมันไปสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาทับกับความทุกข์ทางร่างกายมันก็เลยทำให้รู้สึกความทุกข์ทางร่างกายนี้มันใหญ่โตตามจริงความทุกข์ทางร่างกายมันนิดเดียวที่มันใหญ่โตก็คือความทุกข์ทางใจอย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยเพอหมอบอกจะฉีดยาให้ยังไม่ทันฉีดเล ย, เยใจมันทุกไปก่อนนะมันเจ็บไปก่อนนะ แต่ถ้าเรามีสติก็หยุดมันได้พุทโธพุทโธไปหมอจะฉีดก็ฉีดไปตอนนี้ยังไม่ฉีดก็พุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่ทุกข์ทางทางใจทุกแต่ทางร่างกายดังนั้นพยายามฝึกฝึกสมาธิไปบ่อยๆฝึกพุทโธไปเรื่อยๆดูลมไปพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บของทางร่างกายแล้วมันจะเจ็บน้อยจะอยู่กับความเจ็บได้แต่ถ้าอยากจะให้ไม่ไม่ต้องพุทโธไม่ต้อง ไม่ต้องอดูลมไม่ต้องนั่งสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาก็ยอมเจ็บมันยอมตายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายคำถามจากคุณภูชิตขอโทษค่ะไม่ประสองค์ออกนามค่ะกราบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงสุดอยากเรียนถามหลวงพ่อดังนี้หนึ่งเวลานั่งภาวนาบริกรรมคำว่าพุโทโธ พอนั่งนานรู้สึกว่ากําหนดบริกรรมพุโทโธได้ยากเลยเปลี่ยนมาเป็นคําว่าสัมมาอารหังทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับได้ใช้คําไหนก็ได้ข้อสองถ้าเวลานั่งภาวนาบริกรรมคําว่าสัมมาอารหังแต่เวลาเดินจงกรมกําหนดพุโทโธทําแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับได้เหมือนกันก็ดูที่ผลเคยใจไม่คิดปรุงแต่งก็แล้วกันอันไหนทําแล้วใจไม่คิดปรุงแต่งใจนิ่งใจสงบก็ใช้อันนั้นไป คำถามจากคุณจิรศักดิ์กราบธรรมศการพระอาจารย์ครับจิตคือตัวคิดปรุงใช่หรือไม่ครับแต่ตัวรู้ไม่ใช่จิตใช่หรือไม่ครับมันก็ตัวจิตเนี่ยมันในสองส่วนส่วนที่รู้กับส่วนที่คิดเหมือนร่างกายมีแขนซ้ายแขนขวามันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแขนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวรู้ตัวคิดมันก็เป็นส่วนของจิตของใจ จิตใจมีตัวรู้กับตัวคิดอยู่มีฮัลโหลจากเยอรมันชื่อมิสเตอร์แฮร์รี่ ค, ค่ะค่ะ uh, How are you Harry from Germany? Welcome ค้ช <själ> ครับพระอาจารย์ <azing> <c oughs> คำถามจากคุณพิสมัยค่ะเออไม่ได้เป็นคำถาม น, นะคะแค่บอกว่ามีเด็กผ่าตัดขอโทษค่ะคุณ ตั้มนะคะอยากเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทำไมเวลาลูกนั่งสมาธิจุดลูกชอบฟุง้งซ่านช่วยบอกลูกหน่อยเจ้าค่ะว่าลูกต้องทําอย่างไรจิตถึงจะ น, นิ่งเวลานั่งสมาธิต้องมีสติต้องมีสติควบคุมความคิดแล้วเราต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งเหมือนจะไปจับลิงต้องเตรียมเชือกไว้ก่อนถ้าไม่มีเชือกไปวิ่งจับลิง ก, ก็จับมันไม่ได้จับมันได้ก็มัมดมันไม่ได้ไม่มีอะไรมัดมัน จิตเหมือนลิงจะหยุดให้มันไม่ให้ฟุ้งซ่านก็ต้องมีสติสติก็คือเชื่อถ้าไปนั่งสมาธิโดยไม่มีสตินั่งไปมันก็ฟุ้งยังต้องฝึกสติก่อนต้องมีสติก่อนมานั่งถึงจะได้ผลต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยอย่าปล่อยให้มันไปคิดถ้าเราควบคุมความคิดได้ก่อนที่เรามานั่งเวลานั่งมันก็จะคุมความคิดได้แล้วมันจะไม่ฟุ้งมันจะสงบ่ คำถามพิมมาใหม่จากคุณพี่สมัยเมื่อสักครู่เรื่องเด็กป่วยนะคะหลานสาวป่วยหนักมากค่ะครบสี่เดือนวันนี้เจ้าค่ะหนูอยากส่งบุญให้เขาไม่ทรมานทําอย่างไรเจ้าค่ะอ๋อส่งไม่ได้หรอกบุญอ่ก็ถ้าเด็กก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะสอนเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องอก็ต้องดูแลไปตามสภาพของเขาหรือกล่อมให้เขาไม่ให้เขาร้องไห้หรือกอบอะไรทําไปได้ก็ทําอะไรได้ก็ทําไป ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้มากนะเพราะมันเป็นเรื่องของสติของปัญญาที่เขายังไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ก็ให้ความอบอุ่นกับเขาก็แล้วกันให้ความใกล้ชิดกับเขาไปค่ะคาถามสกุลดีดีโอจะเอาชนะความกลัวต้องทาอย่างไรคะก็ต้องมีสติหรือมีปัญญา เวลาเจอความกลัวถ้ามีสติก็พุทธโธพุทธโธไปก็อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวความกลัวก็จะหายไปถ้ามีปัญญาก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายอะไรจะเกิดอย่างมากก็แค่ตายร่างกายมันยังไงก็ต้องตายถ้ายา่วไม่มันตายมันก็จะหายกลัวคาถามจากคุณยุทธชัยถ้าเรารักษาสีนห้ายังไม่ครบเราจะนั่งสมาธิให้จิตรวมลงสู่ความสงบได้ไหมครับ มันก็ไม่แน่หรอกสินห้าหรือสินแปดมันเป็นเพียงแต่เป็นตัวที่จะสนับสนุนนะั้นแต่ตัวที่จะทําให้จิตรวมนี้อยู่ที่สติถ้ามีสติรักษาสินห้าก็รวมได้ถ้าไม่มีสติรักษาศินห้าสินแปดมันก็รวมไม่ได้การมีศินห้าสินแปดก็เพื่อทําให้เรามีเวลามาสร้างสติเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีสติอยู่แล้วเราจะไม่รักษาศินแปดแล้วก็นั่งสมาธิได้ แต่มันก็เหมือนมีสิน้นแปดคนที่มีมีสติแล้วก็แสดงว่าต้องเคยผ่านจิตต้องมีผ่านสิ้นแปดมาก่อนนะงั้นตัวที่จะรวมทาให้จิตรวมนี่คือตัวสติคำถามจากคนโบราณกราบสาธุครับหลวงพ่อครับบางวันผมภาวนาพุทโธบางทีพุทโธเขาก็หายผมก็พุทโธธรมโมสังโฆอีกมันก็หายอีกครับรู้สึกว่ารักษายาก แต่ละวันตามหาพุโทโธบางทีขายของมีลูกค้ามาก็คุยกับลูกค้าพุโทโธก็หายอีกมาเริ่มต้นใหม่อีกทําอยู่นั้นทุกแบบทุกวันครับจะทําอย่างไรดีที่จะรักษาพุโทโธให้อยู่เนืองๆตลอดได้สักสิบห้านาที30นาทีถามพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อด้วยเสียงเก้าครับสาธุก็ต้องไปอยู่ที่คนเดียวไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวใครเช่นวันที่เราไม่ทํางานเนี่ย เป็นวันที่เราควรจะใช้มาฝึกสติส่วนเวลาทำงานก็ประครับประคองมันเท่าที่จะประครับประคองได้เพราะมันอยู่ในสภาพจำยอมมันก็ต้องเสลอสติเป็นธรรมดาแต่วันที่เราไม่ต้องทำงานวันนั้นเราควรที่จะทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสติถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันจ ะ, จะเจริญสติได้ง่ายเพราะไม่มีอะไรต้องคิดนั่นเองคาถามจากคุณโนนไซทรอง กาบนมัสการเจ้าค่ะปุดชาค่ะดิฉันตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่โดยถวายผ้าไตรถวายสังฆทานและถวายเพลงพระสงฆ์เจ้าค่ะดิฉันจะต้องนำกระดูกของท่านและภาพถ่ายที่เราเก็บไว้กลับไหว้ที่บ้านนำไปขณะที่เราทำบุญที่วัดด้วยไหมคะพระสงศ์บ่าไป อานิสงส์ที่เราทําจะถึงท่านไหมคะท่านจะรับส่วนบุญที่เราตั้งใจทําเพื่ออุทิศให้ท่านไหมคะกราบสาธุค่ะเวลาทําจะรูปไปก็ได้ไม่เอาไปก็ได้มันมันไม่เกี่ยวกันส่วนบุญที่เราอุทิศไปท่านจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ว่าท่านมารอรับหรือไม่ไม่ได้มารอรับถ้ามารอรับก็ได้ถ้าท่านไม่ได้มารอรับท่านก็ไม่ได้เราะบางทีท่านอาจจะมีบุญมากไม่ต้องมารอไม่ต้องมาเป็นขอทานท่านก็ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวสวรรค์แล้ว มีเหมือนคนที่มีเงินติดตัวไปบางหน้า ก, ก็ไม่ต้องมาโทรมาถามที่ขอที่บ้านว่าช่วยส่งเงินไปให้หน่อยเอพราะว่าเขามีเงินติดตัวไปแล้วพวกที่ไม่มีเงินติดตัวก็ต้องโทรมากลับบ้านพี่ช่วยโอนเงินให้หน่อยวนเงินหมดอันนี้ก็เหมือนกันคนที่เขาต้องการบุญส่วนใหญ่เขาจะมาเข้าฝันเราเราะบอกถ้าเราฝันถึงคนตายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาเข้าฝัน อย่างนั้นน่แสดงถ้าเราอุทิศบุญเขาจะได้รับแต่ถ้าเราทําไปโดยธรรมเนียมทุกครั้งที่เราทําบุญเขาตายแล้วแล้วก็ทําบุญให้เขาโดยที่เขาไม่ได้มาเข้าฝันเขาอาจจะไม่ได้มารอรับบุญก็ได้หลายก็ไม่เป็นไรเราก็ทําเผื่อไปเผื่อเขาอาจจะมาเข้าฝันแต่เราอาจจะไม่รับไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ได้รับรูนะ้ไม่มีสติรับรู้ก็ได้นะก็ทําไปก็แล้วกันส่วนเขาจะรับไม่รับก็เรื่องของเขาถ้าไม่รับก็ อุทิศให้ผู้อื่นไปก็ได้เช่นบอกว่าเขาที่ให้กับพ่อให้แม่ที่ล่วงรับไปและสรรพสัตว์ทั้งหลายและหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายคือให้พ่อให้แม่ก่อนถ้าพ่อแม่ไม่รับก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรับไปจาวกรรมในเวรรับไปก็ได้เหมือนเขียนเช็คเราจะเขียนใส่ชื่อกี่คนก็ได้ เวลาเราอุทิศบุญแล้วก็อุทิศให้กับคนนั้นคนตามลําดับก่อนก็ได้คนนี้ก่อนคนที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งคนนี้ลําดับที่สองที่สามว่าไปถ้าลาดับหนึ่งไม่รับก็ลําดับสองลำดับสองไม่รับก็ลําดับสาว่าไปตามลําดับแล้วบุญก็จะได้ไปถึงผู้ใดผู้หนึ่งอย่างแน่นอนอย่างหลวงตาท่านพาให้ญาติโยมทําบุญปัดโลกทาตนี่ก็ให้อุทิศให้กับสัตว์ประสาททั้งปวงสัตว์ตัวไหนต้องการบุญก็มารับไป ขอการถามเจ้าค่ะยมเคยอ่านหรือเคยได้ยินว่าเออทบมาทิอุทิศเนี่ยผู้ที่เหล่าทีิทรมาทิเขาไม่รู้ต้องบอกผ่านเทวดาหรือพระญายมราชทํานองนี้ด้วยเจ้าค่ะก็ไม่รู้นะนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาคิดกันไปคืถ้าเขาถ้าเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่เขาไปบอกเขาเขาก็ไม่มารับอยู่ดีถ้าเขาอยากได้เขาก็มาเองคุณผวกขอทานนี่ไม่ต้องไปบอกเขานี่เขาก็มาของเขาเอง เรจะบอกก็ได้บอกเทวดาก็ได้เผื่อเทวดาเขาจะมารับใช้เราไปบอกต่ออีกทีก็ได้เราก็ไม่รู้กันละใช่ไหมก็เป็นเรื่องคิดกันไปว่ากันไปคําถามจากคุณวิบูลย์ค่ะอยากอยู่แบบไม่อยากอย่างท่านอาจารย์สอนแต่มีหน้าที่ต้องทําให้องค์กรและโดนมองไม่ดีจากคนเสียประโยชน์ควรทําอย่างไรครับก็อย่าไปทําเรื่เล่าจากงานน ไปทำงานขายขนมก็ได้ขายปลาต้องโกะถ้ามักน้อยสันโดษก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคนมากถ้าเรามักมากเราก็ต้องทำงานหนักทำงานที่มีตำแหน่งทำงานที่อาจจะมีผลกระทบต่อคนส่วนมากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้ คำถามจากคุณตะวันกราบนัสการพระอาจารย์ครับขอกราบเียนถามท่านว่ามเมื่อจิตดิ่งลงจนร่างกายหายไปไม่รับรู้สัมผัสใดๆเหลือแต่จิตรู้อย่างเดียวถึงขั้นนี้เราทําอย่างไรต่อครับกราบขอบพระคุณครับก็ให้มันอยู่ในในสภาพนั้นไปนานๆอย่าไปอย่าให้มันไปทําอะไรอย่าไปดึงมันมาพิจารณาอะไรให้มันสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาไปนานๆ จนกว่ามันจะถูกกิเลสดันออกมาถ้าอยากจะกลับเข้าใหม่ก็ใช้พุทธโธดันกลับเข้าไปไหม่ถ้าไม่อยากพออยากจะเปลี่ยนเนิยาบทอยากจะลุกก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วก็จะพิจรารณาทางปัญญาก็ได้หรือจ ะ, จะเจริญสติต่อก็ได้พุทธโธพุทธโธต่อไปก็ได้ถ้าสมาธิยังไม่ชนานาญก็ขอแนะนาให้จเจริญสติไปก่อนให้ฝึกสติให้ชนานาญให้นั่งสมาธิให้ชานานก่อน ให้หยุดความคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการก่อนเพราะถ้าเราไปใช้ความคิดทางปัญญาเดี๋ยวเกิดมันไม่คิดทางปัญญาแล้วจะหยุดมไม่ได้คำถามสัคุลลาวันเรียนท่านอาจารย์น้ําค้างที่อยูมบนใบบวัวทางธรรมะท่านหมายความว่าจิตที่ปล่อยวางหรือว่าจิตที่ว่างๆแล้วใช่ไหมคะก็เป็นจิตที่ยังรับรู้เรื่องราวต่างๆเหมือนพวกเราเนี่ย พวกเราก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสแต่พวกเรารับแล้วมันเกิดอารมณ์ใช่ไหมเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาแต่จิตของผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วจะรับรู้เฉยๆจะไม่มีความรักชังกลัวหลงกับสิ่งที่รับรู้ก็เหมือนกับน้ํากับใบบัวมันไม่เข้าซึมเข้าหากันจิตของที่ผู้ที่ยังมีกิเลสมีรักชังกลัวหลงอยู่นี่มันจะดูดกันเหมือนกับกระดาษซับกับน้ํา ออยดดาันลงไปบนกระดาษทับเปไงมันก็เกิดกันไปเป็นเนื้อเดียวกันคำถามจาคุณประหยัดจิตประกอบด้วยตัวรู้กับตัวคิดแล้วสติอยู่จุดใดครับสติเป็นตัวควบคุมตัวคิดอีกทีตัวตัวควบคุมความคิดก็อยู่ในจิตอีกนอกจากตัวรู้ตัวคิดแล้วมันก็ยังมีตัวตัวจำได้หมายรู้ตัวรับรู้ความ รู้สึกต่างๆความรู้สึกต่างๆตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็อยู่ในจิตเหมือนกันที่เราเรียกว่าวิญญาณขันนามขันเนี่ยนอกจากตัวรู้ตัวคิดตัวคิดก็คือตัวสังขารสังขารคิดตัวจําได้ก็คือสัญญาตัวที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็วิญญาณตัวที่รับที่ตัวที่ให้ความรู้สึกว่าสุขหรทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาก็อยู่ในจิตเท่านั้นตัวสติก็คือตัวที่ คอตัวววกคคคคุมมาิดีทนำถามจากคุณชวนพ่อเจมส์และน้องพลอยขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ผู้ทำบุญผ้าป่าเอาเงินใส่ซองมอบให้กับผู้นำไปถวายวัดแต่ว่าผู้นำไปถวายวัดยังไม่ถึงเวลาเอาไปเนื่องจากต้องรวบรวมปัจจัย คู่เอาเงินใส่ซองอุทิตได้เลยหมาครับหรือว่าต้องรอให้เงินถึงวัดก่อนกราบเรียนถามอ๋ออุทิตได้เลยพอจากออกจากตัวเราไปแล้วเราได้บุญนะว่าเราได้เสียสละเงินไปแล้วความสุขใจเกิดขึ้นแล้วส่วนก็จะไปถึงวัาไม่ถึงวันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้วไม่ถึงก็เรื่องของเขาก็เป็นบาปของเขาไปถ้าเขาเอาเงินนี้ไปเ ท, ท, ที่ยวแทนที่จะเอาไปที่วัดเขาก็จะไปเป็นเตจต่อไป ไม่ไม่เป็นปัญหาพอเราได้เสียสละปั๊บเราเกิดความสุขใจปั๊บนี่เราได้บุญนะอุทิศได้นะ่ะเหมือนยอมใส่บาตรปั๊บนี่ผ้า ย, ยังไม่ได้ฉันนี่ยอมก็อุทิศได้ลนะไม่ใช่ตั้งร้อยผ้าฉันให้เรียบร้อยก่อน <c oughs> ต้องค่อยมาอุทิศอาจารย์คนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันผ้าจะไม่ฉันไม่ฉันก็ยมก็ได้บุญอยู่ดีะ บางทีพระท่านฉันไม่หมดเน่ท่านฉันไม่ไหวท่านก็แบ่งให้คนอื่นไปโยมก็ยังได้บุญอยู่นีแต่โยมจะไม่ได้บุญเท่าต่อเมื่อโยมเป็นเฝ้าดูว่าเขาฉันฉันของ <laughs> ฉันหรือเปล่าพอไม่ฉันก็เสียใจแทนแทนที่จะสุขใจก็เลยทุกข์ใจเพราะเป็นกิเลสเพราะยังหวงอยู่ยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่พอเราให้ใครไปแล้วนี่มันไม่ใช่เป็นของเราแนละ้ว <laughs> เขาจะไปทําอะไรนี่เป็นเรื่องของเขาแนละ้วมันจึงจะเกิดบุญขึ้นมา บางคนกับเสียใจให้ไปแล้วท่านไม่ฉันท่านไปให้คนอื่นยิงไปให้คนที่คิดเราเกลียดนี่โอ้ยยิงไปใหญ่เลยนะต้องอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราให้อะไรไปนี่มันหมดมันไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของคนอื่นเขาจะไปให้ใครเรื่องของเขาแล้วแล้วเราก็จะมีความสุขใจสบายใจมีคาถามอีกนะ อีกสองคำถามอาจ<อ>ารย์เดี๋ยวขออภัยนะเท้ทามันจะเริ่มเป็นตะคิวแล้วอขอยืดยดเส้นหน่อยาว่ามาคำถามจากคุณจิลศักดิ์ค่ะถ้าความคิดความปรุงเป็นแขนและตัวรู้เป็นขาแสดงว่าเราจะตัดตัวคิดตัวรู้ไม่ได้แต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวคิดตัวรู้เพื่อหาความจริงถูกต้องไหมครับใช่เราก็เพียงแต่เปลี่ยนความคิดให้มันคิดไปตามความจริง ตอนนี้มันคิดไปในทางความไม่จริงมันก็เลยทําให้มันไม่ได้สิ่งที่มันควรจะอยากได้คือไปคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข <N> ก็เลยไปเอาไปเอามันมาและแทนที่จะได้ความสุขก็เลยได้ความทุกข์ทีเราก็ต้องมองให้เห็นว่าอันไหนเป็นทุกข์อันไหนเป็นสุขถ้าเป็นทุกข์เราจะได้ไม่เอามาอันไหนเป็นสุขเราก็จะได้เอามาแล้วเราก็จะได้ของของจริงของแท้ ตอนนี้เราได้ของปลอมกันพอเราไปคิดว่าของที่ที่เป็นทุกว่ามันเป็นสุขส่วนของที่เป็นสุขนี้เราไม่เอากันขออภยัยนเริ่มเก่งใหญ่เนี่ยปวดขึ้นม า, นาไม่เป็นไรล ะ, ละเดี๋ยวเป็นการให้มันใช้มันมีมีได้ยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันก็หายดง <Okay. S 1> นั้นเราต้องมาเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดเพื่อให้มันคิดไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือความสุขในโลกนี้ไม่มี ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องทุกข์ถ้าอยากจะได้ความสุขต้องนั่งสมาธิต้องทําใจให้สงบทั้นั้นอันนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงคําถามสกุลจุธาค่ะเ อ, อ, อยากถามหลวงพ่อลูกอยากนั่งสมาธิแต่เป็นเดินได้ไหมคะอะไรนะเดินได้อยากนั่งสมาธิแต่ขอเป็นเดินก็ถ้านั่งไม่ได้ก็เดินไปก่อนแต่ถ้าจะนั่งสมาธิให้จิตมันเน่งอย่างจริ ง, ง, งต้องนั่งถึงจะถึงจะนน่งถึงจะรวมได้ ถ้าเดินมันจะจะจะนิ่งยากกว่ามันจะจะรวมได้ยากกว่าเพราะจิตยังต้องทํางานอยู่ยังต้องคอยควบคุมบังคับร่างกายอยู่ฉนั้นเวลาจะนั่งสมาธิให้รวมให้นิ่งเต็มที่นี้ต้องนั่งแต่ถ้ายัางนั่งไม่ได้แสดงว่าไม่มีสติก็ใช้การเดินเพื่อสร้างสติขึ้นมาก่อนเดินไปก็ควบคุมความคิดพุดโทโธพุโทโธไปจนเราสามารถควบคุมความคิดได้พอเวลานั่งมันก็จะนั่งได้เพราะว่าจิตมันจะสงบได้ง่ายและรวดเร็ว งั้ถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็เดินก่อนตัวสาคัญไม่ใช่อยู่ที่ตัวเดินนะตัวนั่งตัวสาคัญก็คือตัวสติถ้าเดินไม่มีสติก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่งไม่มีสติก็ไม่เกิดผลงั้นต้องฝึกสติให้ได้ต้องควบคุมความคิดให้ได้ให้จิตนิง่งไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเวลานั่งมันก็จะสงบมันก็จะรวมได้แล้วจะมีความสุข